เราเคยได้ยินเนะ่เวลาเราสวดมนต์บทนั้นบท น, นีนะ้ที่สุดของทุกข์นี่คือเวลาเราสวดนะ่ะที่ว่ารู้แจ้งอุปทานขันไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยอุปทานดังนี้แล้วเวลาเราสวดนะ่ะ พิสูจทั้งหลายเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธ์ของผู้มีภาะเจ้าพิสูจนเหล่านั้นจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้แจ้งเรื่องอุปท า, านถ้าเมาื่อใดก็ตามที่มีการรู้แจ้งเรื่องอุปท า, านขันเนี่ยทุกข์ก็จะหมดทันทีปัญหาคือเวลาเราจะผ่านอารมณ์แต่ละตัวละตัวนี่มันยากมาก ภูมิปัญญาแบบพุท ธ, ธะเนี่ยกว่าจะไต่เต้าไปมันยากย่างตรงที่เราหลงนั่นแหละมันลืมตัวหลงหลงอยู่กับอาการของาธาตุของขันนะจริงๆเราพูดให้กันฟังว่ า, าธาตุสี่เป็นยังไงเราก็พอรู้นะขันห้าเป็นยังไงเราก็เหมือนจะพอรู้ แต่ว่าจิตมันไม่เกิดการถอนอุปทานการยึดติดในขันหานี้ได้ถ้าจะพูดเรื่องธาตุสี่แสดงว่าพูดแต่เรื่องร่างกายดินน้ำไฟลมธมวิยาศาสตร์เขาก็จะแบ่งแยกออกเป็นธาตุนันธาตุนี้ในตัวเจ่นออกซิเจนอะไรหลายธาตุอไปอีกแต่ว่าศาสนามองเป็นแค่ธาตุสี่ แต่เวลาผู้ศาสนาแยกแยะน้ำมื่นโลกกระดาษจะเยอะขึ้นไปอีกคือมองผู้ศาสนาจะทําให้ของเยอะให้เป็นของน้อยของที่มีอยู่ให้เห็นเป็นอนัตตานะให้เห็นเป็นสศรษธรรมสิ่งที่มันอยู่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นภาวะที่เราสมมติขึ้นมาเฉยๆนะความเป็นจริงมันไม่มี แต่ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุสี่แต่รวมใจลงไปด้วยเนี่ยก็าเรียกว่าธาตุหกธาตุหกธาตุสี่เนี่ยดินน้ำไฟลมมีดินมีน้ำมีไฟมีลมนะแล้วมีมียังมีธาตุอีกธาตุหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุรู้ ธาตุรู้วิน่านรู้เนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุแล้วธาตุรู้ดินน้ําไฟลมมันรู้ตัวของมันไหมมันไม่รู้นะถ้าไม่มีอันเนี้ยนั้นตัวธาตุรู้นี่ก็คือขันธ์ห้านี่แต่มันมีธาตุอี ก, กนหนึ่งคือโอกาสสธาต โอกาสเราไม่ค่อยเอามาพูดนะนี่แต่เราชอบหรือได้ยินหรือถนัดที่จะรู้เรื่องนี้มากกว่านะรู้จักคาว่าอาวกาศอาวกาศอาวกาศเนี่ยความหมายก็คือนิพพานนั่นเองแต่อวกาศของทางโลกจะเป็นโลกที่เป็นแบบนั้นแต่อวกาศทางจิตนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง ไม่เหมือนกันนะอวกาศอันนี้กับอวกาศนั้นเหมือนนิพพานเวลาอาหารมันเย็นมันดับมันไม่มีความร้อนเขาเรียกวนิพพานแต่ถ้าจิตก็จะเป็นการดับความเร่าร้อนข้างในทุกมันไม่มีเขาเรียกว่านิพพานมันเหมือนเหมือนกันแนะ่ะแต่ว่าจะใช้กับอะไรถ้าเป็นอย่างนี้นี่เขาว่ามนุษย์เราประกอบไปได้วยธาตุหกอันนี้เรียกว่าธาตนะุหกธาตุหกได้จบ แต่ถ้าบอกว่ามนุษย์เราประกอบด้วยธาตุสีน่นี่ต้องมีอะไรด้วยขันห้าด้วยนะขันห้าคืออันนี้ถ้าธาตุสี่นี่เป็นกายเป็นรูปขันห้านี่อันนี้เป็นนามท่านคน่าคนเราประกอบด้วยธาตุสี่ขันห้าแต่ถ้าพูดถึงธาตุหกนี่ก็คือจะบวกกันหมด ทีนี้เราเข้าใจโดยรวมๆเหมือนเรายอมรับนะว่ามันมีธาตุนั้นธาตุนี้ทั้งที่เราแยกแยะอะไรมากมายนะชีวิตเนี้เป็นธาตุนั้นธาตุนี้แต่ว่าจิตที่มันไม่คลายมันไม่ถอนอุปท า, านขันออกไปได้มันยึดติดจิตนี่จะมีลักษณะแบบนี้ติดอยู่ในนี้ติดอยู่ในรูปในนามในอาการของรูปของนามอาการของรูปที่เปลี่ยนไปอ แต่จิตเรามันติดความรู้สึกอ่ะเนี่ยอาการของรูปเจ็บปวดเมื่อยเนี่ยถ้าจิตมันเฉยเฉยมันดูเฉยเฉยมันก็ไม่เป็นอะไรนะความรักความชังก็ไม่ปรากฏเป็นที่ทาให้เกิดกิเลสตัหาราคะความโลภโกรธหลงรู้เฉยเฉยยิแต่นี้มันรู้แล้วมันชอบไ อ, คอบค้ความชอบความชังความชอบความไม่ชอบเนี่ยมันสะสมขึ้นไเรื่อยๆเพราะมันสะสมขึ้นเลยเลยฝังฝังเป็นรูปอุปาทาน อุปทานฝังอยู่ในใจเรากามก็คือกามความใคร่กามต่างๆางหูจมูกลิ้นกายใจทางเพศทางไรบ้างเนี่ยนะการกินการดื่มการเห็นได้ยินใน้ฟังเหตุเราอยากเห็นอีกกินแล้วได้ยีนอีกเหตุมันติดมันเพลินนะทิฏฐิก็คือความรู้สึกความนึกความเห็นที่จริงไม่มีอะไรนะเป็นความว่างนะแต่เราสมมุติขึ้นมาใช้เป็นเหตุเป็นผลมาคัดแยง้ง อ้างอันนั้นอันนี้กันคือเป็นสมมุตินะทุกอย่างเนี่ยคือสมมุติเราสมมุติมารวมลงเป็นสมมุติว่าเป็นอันนั้นอันนี้เรียกกันเฉยเฉยสมมุติให้มันทํางานร่วมกันมนุษย์ถ้ามันมีสมมุติเป็นสื่อกลางเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะนั้นมันต้องมีสมมุติสมมตินะปัญหามันมันไม่ใช่วิมุตต์เน่ยมันเป็นสมมุติวิมุตต์คือหลุดพ้นแต่สมมุติก็คือ เราสร้างเงื่อนไขสร้างเอามาสมมุติให้กันตกลงกันว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้แต่เราก็ติดติดเป็นความรู้สึกว่าเราคิดอย่างเงี้ยเราสมมุติอย่างงี้อันนี้น่าจะสมมติอย่างงี้อันนั้นนี่แล้วเอาสองสมมุตินี้มาขัดแย้งกันนะกลุ่มนั้นก็สมมุติแบบนึงกลุ่มนี้ก็สมมุติแบบนึงบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้คือสมมติประชาธิปไตยว่าน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนี้ สมมุติผิดสมมุติถูกเดี๋ยวนี้แม้แต่ศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เรียนเรื่องของปรมาถสัจจะเราเรียนเรื่องสมมุติวิธีนั้นถูกวิธีนี่ผิดคือมาอยู่ตื้นๆ น, นะไม่ได้เรียนรู้เพื่อไปสู่ความเป็นปรมาถสภาวะคืออย่างมากก็จะมาอยู่แถวๆเวนี้ยเป็นสมรติฐา สมถะก็จะมีปีติมีความเอิบิม่มมีความโล่งความโปร่งเป็นสมถะมันไม่ขึ้นสู่วิปัสสนาบางคนนั่งทําสมาธิที่บ้านที่เดือนอะไรก็จะเป็นเนจะเริ่มมีปีติมีอะไรคือมันเป็นสาธานอารมณ์มาเนี่ยคือเกิดขึ้นกับกรรมฐานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอืรูปแบบไหนรวมกรรมฐาน เป็นแบบสี่สิบอย่างทำสมาธิเล่นๆแล้วก็จะเป็นสมาธิเป็นปีติเป็นอะไรแล้วคนก็จะยึดถือว่านั่ น, นทำแบบนี้แบบนี้นะคือมันไม่สามารถที่ถ่ายถอนกิเลสอนุสัยสันดานหรืออันนี้ได้อุปทานขันเนี่ยมิหนํำซ้ำอุปทานกับอาการนั้นั้องอีกต่างหากทีนี้เรามาปฏิบัติทำเนี่ย เราเจริญสติตามแนวที่ผู้ทีเจ้าท่านปฏิบัติทมเขาเรียกว่าเข้าสู่ระบบเอาพูดย่อๆลงมาคือระบบไตรสิกขานะระบบไตรสิกขาที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าจัดเป็นหมวดหมู่ไม่ให้มันลึกซึ้งมากมายอะไรนะไตรสิกขาก็คือทำเรื่องศีลสมาธิปัญญาสิกขา3มสิกขาก็คือศึกษานั่นแหละอย่างที่เราบอกว่าไปเป็นนักศึกษานักศึกษาที่จริง นักศึกษาก็คือต้องทําให้ศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดศีลต้องพัฒนาไปสู่อธิศีลอธิศีลอธิศีลอธิศีลคือความปกติกอันยิ่งที่สามารถตั้งมั่นโดยทั้วอะไรกระทบแล้วก็หล่นไปอะศีลแบบนั้นน่ะไม่ใช่ไปยึดถือเป็นข้อเป็นข้อเป็นสมมุตินะ ศีลในพุทธศาสนาเนี่หมายถึงตัวปรมามัตถธรรมนะไอสมม 5, 8, 10, ้สมมุติห้าแปดสิบเนี่ยสมม่าเรานับถือศีลสองร้อยิบเจ็ดข้อสามร้อยข้อเนี่ยนับถือจนตายก็ไม่บรรลุธรรมนะสังเกตดูดิเรานับถือศีลเรารักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบเนี่ยถามว่าจะมีความโกรธอยู่ไหมมีไหม ม, มีนะพระถือศีลสอง้อยิบเจ็ดมีความโกรธไหมมีความโลภไหม มีความหลงเหมือนเดิมเลยพวกโกดหลงเพราะมันคนละสภาวะเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันกับการที่จะเอามาทำลายกิเลสเนี่ยดังนั้นศีลพุทสศสนาเนี่ยต้องเริ่มจากสติเวลาคนปฏิบัติทําผู้าสติสมาธิปัญญาเขาไม่พูดเรื่องศีลนะแต่ว่าคนทั้งหลายทั้งโลกนี่อย่าง น, น้อยก็ให้มีศีลสังคมจะดี สังคมคือระจัดระเบียบว่าสังคมเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีศีลแบบนี้นะแต่ถ้าจะไปปฏิบัติธรรมคุณต้องรักษาอันนี้ขึ้นมาหน่อยรักษาอะไรรักษาหนึ่งจะกินข้าวเย็นนะสองอย่านอนที่นอนอ่อนนุ่มนะสามไม่ประดับตกแต่งร่างกายนะเครื่องประเทองผิวทั้งหลายนี่ คล้ายๆว่าทดสอบดูตัวเองนะว่าไหวไม่สู้กับอ น, นี้ห้ามฟังห้ามขับร้องประโคมดนตรีดูการละเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินฟังสาวบาลฟังอ น, น, นุนะันนี่เนี่ยฟังเพลงฟังอะไรนะเขาไม่ให้ฟังไม่มีการละเล่นอยู่ด้วยือนี้คือเหมือนกับว่าลองทดสอบใจตัวเอง เขาจะเริ่มมีแบบนี้เข้ามาในจิตฝืนได้ไหมทนได้ไหมหรือถ้าทํำมากๆศีลมันมีจุลศีลมีมหาศีลมีมัดมีมัชจิมศีลมีมหาศีลศีลเยอะนะแต่ว่าอริยะกันเศีลศีลที่ว่าอริยะยักษาอริยะรักษาเนี่ยจะไม่ได้เหมือนศีลห้าศีลแปดอย่างนี้ให้คนระแบบกันแต่เราไม่เคยได้ยินนะเพราะว่าลำพังเพียงศีลห้าศีลแปดนี่ก็แทบตายแล้วจะรักษาเนี่ย ก็ผิดข้อมองใจอะไรประมาณเนะี้ยบางคนรักษาก็ไปถึงข้อสุราก็หยุดไม่พูดให้มันข้ามไปก่อนก็มีเนะีนะ่ยบางทีมาบวชรับศีลแปดจะกลับบ้านต้องลาศีล น, นะศีล น, นี่ถามว่าดีไหมคนมีศีล น, นี่ดีไหมดีนะแต่ทำไมต้องลามันนะ ยิ่งมีศีลมากเท่าไหร่ยิ่งดีอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีเป็นพระเนนไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เ็วสามคือต้องมีศีลศีลแป็ความหนักแน่นศีล หมายถึงจรร ญ, ญาบรรณทางโลกนี่หมายถึงจราบรรของใครของมันนักเรียนก็มีศีลองนักเรียนขยันนะไปนะมีท้เด็กครูก็มีจัญยาบรรขาพยายามทำให้มันดีนั่นเองแต่จัญญาบรนของมนุษย์ทั่ ว, วไปก็คือศีลห้าไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนมีประมาณนี้นะถ้ามีประมาณนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ได้ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะแย่ละสังคมมนุษย์ก็จะวุ่นวาย นั่นพุทธกิจอิสลามพราหมณ์ฮินดูศาสนาไหนก็ตามที่เกิดมาที่จะให้คนนับถือเนี่ยก็ต้องมีสีนห้าไม่ฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าสัตว์ก็จะแย่นะมันลุกลามใจมันโหดที่เมือเรื่อยรลักทรัพย์ยากผิดข้อมองใจประพฤติผิดประเพณีอย่างเงี้ยประเวณีพูดโกหกมมเท็ดแล้วทำลายสติปัญญาตัวเองบ่อยๆสังคมทุกวันนี้เหลือไมไม่เหลือซะกันนะ อิเล่าเมายาอะไรประมาณนีงเดี๋ยวนี้ราชการเริ่มมีมติว่ไม่ขายเหล้าตามริมถนนหุนทางตามโน่นตามนี้เริ่มเริ่มมีออกมาอยากให้คนมีแบบนี้เยอะๆเข้าไปหน่อยถ้าไม่คิดถึงเรื่องผลประโยชน์อรตมมาว่ามันไม่คุ้มกันนะกับการที่รัฐคอยแก้ไขปัญหาเรื่องเหล้าเรื่องรถชนกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะ เพียงกับภาษีเล็กๆน้อยๆกับการลงทุนต้องมาดูแลเนี่ยมันมากแต่ยังว่าแหละมันมีส่วนได้ส่วนเสียมีอย่าง น, น้อยก็คือไม่มีปัญญาที่จะห้ามใจหรือที่จะเข้าใจสัจจะวนนี้ได้มันอยู่ในคนหลายคนคนนั้นก็อยากได้เพราะนันแต่เผอิญว่าคนชั่วมันมีมากกว่าคนที่ต้องการเนี่ย คนดีก็มีคนสองคนเนี่ยคนที่จะเห็นแจ้งอันเนี้ยที่จะเข้าใจมันก็เลยไม่รู้จะอะไรไปแก่งแย่งคัดง้างปัญหามันก็เลยว่าเอาสีลห้าก็ดีเถอะเอาสามข้อสองข้ออะไรก็ว่าไปถ้าอยู่ด้กันสามีภรรยาอยู่ครอบครัวมีสินด้วยกันดูดีดีดนะสีนสังวร ศีลสังวรคือความสำรวมในศีลมีข้อวัดปฏิบัติอะไรที่เหมาะสมเนี่ยโอ้ยก็ อ, อยู่กันยืดกันยาวนั้นเวลากลับบ้านเอา้าเอาไปรักษารักษาศีล น, นี่เขารักษาที่ใจรักษาศีลรักษาที่ใจคือมีโยมสองคนไปปฏิบัติทาสอยพุทธการไปฟังพระพุทธเจ้ามาด้วยกันเขารักกันนะสองคนเนี่ยพอกลับมา ป, ปุ๊บเอ๊ะ คนเราบรรลุทำได้หรเอลออได้ด้วยหรอือถ้างั้นมผมจะลาบวชจะไปปฏิบัติทำสักสามปีพระพุทธเจ้าเจ็ดปีบรรลุอรหันต์เกิดมาครั้งเดียวนเจ็ดปีไปฝึกอันนี้บรรลุอรหันต์ก็น่าจะทำนะสิ้นการดับการเกิดการเก่การเจ็บการตายได้เนี่ยควรทำก็เลยไป ส่วนผู้หญิงนี่เขามีแม่ที่ต้องดูแลอยู่บ้านก็ไ mm hmm. ม่รู้จะทำไงก็อยู่บ้านแต่จำได้าว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้สึกตัวทำอะไรอยู่ในอริยบทไหนพยายามให้ระลึกรู้ให้ระลึกรู้นั่นผู้หญิงก็ระลึกรู้อยู่ที่บ้านตำพริกตักน้าถากหญ้าลดต้นไม้อยู่บ้านเลี้ยงแม่ไปด้วย จริ่สติไปด้วยแต่พระ น, นี่บอกว่าคงไม่ไหวอะ่ะบวช ด, ดีกว่าแล้วเข้าไปอยู่ปลีกวิเวกเลยเรียนกนรรมฐานแล้วไปเรียนอยู่ในป่าเลยตั้งใจทำทำอยู่สามปีไปกดความคิดเพ่งไม่มีความคิดเลยนะว่างเลยไม่มีความคิดนแต่เพิินว่าทำไปทามามันเป็นเรื่องโลกียชานชานไปว่าเพ่งลหลายๆคนนั้นปฏิบัติทำไปเพ่งจ้องจิตตัวเอง นะกดไว้ไม่มันคิดเอาไปมาไม่อจะเกิดแสงเกิดสีเกิดไปอีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นแบบคือมันเกิดปีติเกิดฌานมีว่างนะอันนี้มีว่างพวกไปเพ่งอากาศ เ, าเพ่งวิญญาณพวกนี้ วิญญาณเพ่งแสงเพ่งโน่นเพ่งนี่เนะีคือเพ่งอะไรก็ตามเพ่งรูปเนี่ยไปเพ่งรูปก็เรียกว่ารูปประชานสมาธิที่เกิดจากการเพ่งรูปอรูปประชานคือเพ่งสิ่งที่ไม่ใช่รูปอย่างอากาศเนี่ยอย่างวิญญาณเนี่ยไม่ใช่รูปเราะนั้นสมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดก็จะเป็นประมาณนั้นนะแต่นี่ไม่ได้เพ่งรูปนะสมถะนี่มันจะมีอยู่สี่สิบแบบเขาบอกเขารวบรวมไว้ในวิสุตติมรักษ์นะ ออย่างเพ่งพระพุทธรูปก็เหมือนกันนหะเพ่งลูกแก้วเพ่งอะไรไปเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาเนาะเป็นเรื่องสมัมปทคือวิชาอันเนี่ยเขาปฏิบัติมาก่อนที่เกิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปทําแบบนี้แหละไปทําแบบสมัมถะแล้วบัเอิญมันมันไม่รู้มันไม่ใช่ทางมันเกิดปีติเกิดอะไรก็ว่าไปตามเรื่องนะแต่ว่ามันไม่เกิดวิปาาัสสนาญาณ รละลึกถึงพระพุทธรูปพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงอนุสติสิบสังขานุสติพุทธธรรมมาสังขารศีลอาชาคาเทวตานึกถึงเทวดานึกถึงอะไรคุณงามความดีอะไรอย่างบุญกุศลอะไรพวกนี้ยมันทําให้จิตสงบจริงอะ่ะแต่มันไม่ใช่การมันไม่เกิดการรู้แจ้งพอหยุดทําก็กลับมาเหมือนเดิมอืมเพ่งดินน้ําไฟลมก็เหมือนกันอะเพ่งจ้องมันสงบมันก็สงบนะ แต่มันไม่เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์หน้าในธาตุสีนี่มันไม่เห็นนะ mm. เรากดมันไว้เฉยๆมันเจ็บก็กดอะไรประมาณนั้นไม่ลุกนั่งไม่ขยับไม่เปลี่ยนไม่อะไรจ่าเนี่ยจนเน็บชากินพอแก่เท่ามาเป็นโรคอามาพึกพระเนี่ยอมาพาเพราะไม่รู้ไงเอาสมาธิไปข่มเวทนาเฉยๆเขาไม่รู้อันนี้เขาไม่ใช่ไปข่มนะไปรู้รู้ธรรมชาติของเวทนา อันเพราะพุทธเจา้าเออมันไม่ใช่ทางทางไม่ใช่ทางท่านก็เลยไม่ปฏิบัติท่านมาทําใหม่ท่านไม่ทําแบบลือศีที่ทําฤอศีทําเขาก็ทําเก่งมากเราไปอินเดียในยบางทีถ้าฤดูที่เมืองลือศรีเกตเนี่ยอือศรีเขานั่งสมาธิเขาจะตัวลอยขึ้นประมาณสองสามเมตรไจากพื้นดินบ้านเราเรียกว่าหอกได้นะยัง น, นั่งสมาธินะมันขึ้นได้นะเป็น บางทีก็นอนราบทับตะปูทับอะไรเนี่ยเขาทนได้นะสมาธิมันทําได้บางทีก็นอนแล้วถอยให้รถเหยียบรถก็เหยียบนะนั้นเวลาเขาทามานี่ไม่ปลายห่เหมือนภาคใต้เรานะเอาจริงอะ่ะคนเต็มไปดูเลยบางคนก็นั่งถอนขนหัว วันโปรงผมเขานนะีปีหนึ่งเขาจะปรงครั้งหนึ่งก็ดึงออกทีละเส้นละเส้นเวทนาเขาทนดีมากแล้วเขาก็อยู่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านไปทําแล้วทําไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าทรมานตัวเองก็ไม่มีใครเกินเกิดฤทธิ์เกิดเดชก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าทำเนี่ยท่านทําได้ดีทําดีกว่าคนอื่นอดข้าวอดน้ํากัน้นลมอัดสาสะปัดสาสะทําอะไรดีแต่เป็น มันไม่เกิดปัญญาแต่เดี๋ยวโอ้อันนี้มันเป็นทางอยู่แต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทางมิใช่ทางมันในพ้นทุกข์พอหยุดทำก็เป็นอีกเข้ากรรมฐานก็ดีไปเหมือนพวกเราเนี่ยไปปฏิบัติธรรมก็ดีพอกลับไปก็เหมือนเดิมะหรือบางทีนั่งสมาธิในห้องก็เหมือนดูดีนะแต่พอออกสตสมาธิก็เหมือนเดิมพราะมันไม่ใช่งไงมันไม่เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าท่านต้องการปัญญา ต้องการปัญญาแล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบสบายสบายนะอยากเห็นธรรมชาติอันนั้นนะท่านก็เลยไปทำคนเดียวไปเจริญสติก็คือไปพัฒนาตัวสติสัมปจญญะจนทั้งว่าเห็นทางอีกแบบหนึ่งที่มันเหมือนเหมือนกับสมถะนี่แหละคือทำสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่สมาธิกดจิตเป็นสมาธิรู้ คือไม่ใช่ถึงกับสมาธิไม่ใช่เพ่งไม่ให้มันนิ่งมาเลยรู้สึกเฉยๆเดินไปก็รู้ไปมันคิดมาก็เขียออกและลึกรู้เห็นมันเฉยๆการเคลื่อนไหวก็รู้ไปเรื่อยๆรู้กายเวทธนาก็รู้รู้เฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันเป็นธรรมชาติมันพอเราไม่เข้าไปยุ่งธรรมชาติก็จะเกิดดับโดยตัวเขนเอง แต่เมื่อก่อนเขาไปยุ่งเขาทําสมาธิไปกดนั้นกดนีนวาาานาา่าเพ่งกรณีว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งเอาฌานเผาเพ่งอะไรประมาณนั้นแต่พุทศาสนานี่ยเขาไม่เอาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่รู้สึกเป็นสมาธิมนกันแต่สมาธิไม่ใช่แบบอุปจาระไม่ใช่แบบอัปนาสมาธิแต่เป็นขณิกะสมาธิระลึกรู้เฉย รู้ไปเรื่อยเรื่อยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกรู้มันคิดก็รู้มันไม่คิดก็รู้ดูไปนี่แต่ไม่ใช่กดมันนะแต่คนทั้งหลายไม่กดมั น, น mm hmm. พอกดมันก็ดับไปอ่ะดับมันไม่เกิดอะไรจนทั้งบางทีพอนั้งสมาธิกดจิตตัวเองแล้วตัวแข็งทื่อเป็นปีนะถึงออกได้บางทีบางทีก็เจดวันถึงออกได้บางทีตั้งแต่เช้าถึงเย็นออกจากสมาธิไม่ได้เพราะสะกดจิตตัวเองอ่ะ แต่คนไม่รู้หรือบางทีไปอบรมเด็กอบรมอะไรประมาณนี้พวกไม่รู้นะไปพาทําสมาธิเอาไปมาเด็กตัวแข็งไนมะ่แก้ไม่เป็นนละ้วพวกไม่รู้ไงมันกลายเป็นสมาธิแบบสมถะไปอ่ะคือเราไม่รู้ว่าทางนี้มันจะไปทางไหนอ่นั้นเขาถึงอยู่ขั้นแค่จริยธรรมพ่อฝึกไปซะน้อยมีสมาธิน้อยเลยเขาก็อืมปล่อยสะกดจิตโดยการพูดให้คล้อยตาม คือพูดให้คล้อยตามเพื่อเอาดีเลยเรื่องบาปเรื่องกรรมแต่ชาติปางก่อนเหมือนทําทางสิงห์บุรีนะชาติปางนั้นเกิดเป็นนั้นมาเป็นอันนี้มาเห็นผีเห็นสางนให้คนมีสมาธิสน้นก็คล้อยตามมาดิเนี่ยก็เกิดการร้องไห้เกิดายเป็นหน้ามาขึ้นมาดีอ่ะโอ้มีบุญเนาะคนนั้นทําได้คนนี้ก็ทําได้ถูกสะกดจิตโดยธรรมชาติ แล้วเขาก็พูดถึงเรื่องทำบุญทำทานและที่นี่เสร็จแล้วก็คือจะอยู่ประมาณเนี้ย้อมใจกันอยู่อย่างเงี้ยไม่หนีจากวังวนอันนี้พูดเรื่องเรื่องบาปเรื่องกรรมเอาสมัยโน้นพระโมกขลาเป็นอย่างนั้นกว่าจะได้บรรลุทบำบําเ็ณบารมีมาเท่านั้นเท่านีน้อะไรประมาณนี้เขาเอาศาสนาของพระพุทธโคสาจารย์มาสอน พ, พุทธโคสาจารย์ท่านเล่าถึงเรื่อง ประวัติของคนนี้ท่านเล่านิทานประกอบแต่เราเอาเป็นจริงเป็นจังแล้วเอาอันนั้นมาสอนนะแต่ไม่ใช่เอาคําสอนที่เป็นสุญญตาอนันตาอริยสัจปฏิสุบาทะไรที่มันลึกๆมาสอนกันนะนะสอนในขั้นที่เกิดศรัทธาเฉยทําสมาธิซะน้อยแล้วก็ไปทางนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะไปทางนี้มันก็ไม่รู้เรื่องไงมันไม่รู้สมาธิคืออะไรปัญญาคือแบบไหนนะ ก็จะมาที่แบบคิดนั้นคนปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ปฏิบัติธรรมก็ได้ถ้าอ่านอ่านหน่อยแล้วก็สอนกันเลยอย่างเงี้ยก็จะไม่มีสภาวะธรรมนั้นคนไม่รู้สอนทําให้ศาสนาเสื่อมนะผู้รู้ไม่สอนศา ส, สนาก็เสื่อมผู้ไม่รู้สอนก็เสื่อมผู้รู้สอนเนี้ย ศาสนาจึงจะเจริญผู้รู้สอนเนี่ยผู้รู้สอนผู้รู้ไม่สอนผู้ไม่รู้สอนผู้ไม่รู้ไม่สอนถ้าไม่รู้ไม่สอนก็ไม่เป็นไรนะไม่รู้ไม่ชี้เน่ยไม่รู้ก็ไม่ต้องชี้แต่ถ้าไม่รู้ดันไปชี้นี่อันตรายนะมันผิดผิดไปเรื่อยไปเรื่อยอะเอาไปมาเพี้ยนไปเลยคำสอนน่ พ่อมันไม่รู้จริงเหมือนกันไอเรื่องส ม, มถะเนี่ยมันสําคัญนะเราไม่รู้เดี๋ยวนี้เราเอาส ม, มถะกรรมฐานเอาส ม, มถะเอากรรมฐานแบบลื้สีมาสอนนะแบบสมัยก่อนที่เขาทําเหมือนพระทำอยู่ทํโาโน่นทำนี่มั่นใจได้ยังไงว่ามันเกิดวิปัสนาคือสงบแบบสงบเงียบช่ยไม่พูดไม่จะสงบเงียบเราไปเห็นท่านก็งสงบเราไม่ดูไม่ออกนะว่าพระส ม, มถะหรือพระวิปัสนา นะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถูกหลอกออกรูปออกเหรียญไปเรื่อยนะเป็นความโลภไปเลยที่นี่ดังนั้นพระที่ไปปฏิบัติธรรมในสมัยโน้นนะท่านก็ไปทำอันนี้แหละเพ่งความโกรธ ก, ก็เพ่งมันความโลภเพ่งมเอาไปามามันเกิดเกิดโลคิยชฌานนะ เกิดเป็นตาไฟมองอะไรนี่เหมือนมันมีพลังความร้อนพุ่งออกมะไม่สังเกตได้วันหนึ่งวันพระขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นไสรทํามสมาธิอยู่มีที่สามมีนกตัวหนึ่งขี้ลงมาตกมาตูกแล้วก็เลยโกรธโกรธแ้เลยมองดูนกปรากฏว่านกตายเลยนะมันไม่นกตกลงมาก็มีความรู้สึกก็รู้สึกอยู่นะ ว่าปฏิบัติเนี่ยมันดับความโลบโกรธลงไม่ได้เหมือนที่เคยฟังพระพุทธเจ้าพูดมาแต่มันก็ไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยเพราะไม่มีครูบาอาจารย์ไปทำเองก็เลยกลับบา้านเอสามปีแล้วกลับบา้านกลับไปเยี่ยมโยมผู้หญิงที่คุ้นกันไปคุยกันเยี่ยมยามถามข่าวว่าเป็นยังไงบ้างาแต่พอไปแล้วก็โยมผู้หญิงคนนั้นเขาขยันตื่นมากเดินจงกรมสร้างจังหวะ กลไปกลับมาเนะี่ยทำกับข้าวเสร็จปุ๊บก็มาทําเลี้ยงแม่แล้วก็ทําทําความเพียรทําไปวัดไปวาเอาข้าวไปสรงพระ ก, ก็กําหนดรู้ฟังพระพูดบ้างแล้วก็ไปสอบอารมณ์กับพระบ้างอะไรกลับไปกลับมาปรากฏว่าเขาบรรลุอนาคามีผู้หญิงกันนี้เขาปิ๊งหลายรอบแถมเกิดเจโตัปริยญาญเจโตัปริยญาญคือรู้ว่าละจิตคนอื่นได้ด้วย รู้จิตตัวเองรู้จิตคนอื่นเหน่อยนั่นพระ อ, อันี้ก็มายืนเราบินธบเนีเ่ยทำไมไม่มาสักทีเนาะรู้ไหมว่าเรามาผู้หญิงคนนั้นก็ทําเป็นโน่นทําเป็นนี่นะอเห็นอยู่แต่ไม่มาสอบอารมณ์พระพระก็เริ่มหงุดหงิดนะไอ้กูเสียเวลาที่ได้มานะอย่างนี้อะไรปมันน่าจะาเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาอุบาสิกามันใส่บาทมันใส่บาท เพราะว่าโอ๊ยรอก็ไม่รอเฉยๆเนาะบนนั่นบนนี่เมื่อกี้ท่านบ่นว่าเสียดายได้มาอย่างนี้นเอา้าทำไมรู้รู้จิตเราเราคิดอะไรเนะแล้วเสียดายเวลาที่ท่านไปปฏิบัติธรรมที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ยมันไม่ได้นะมันยังมีความโลภความโกรธความหลงกระแสอมรหิตของจิตมันยังแผ่ออกมาอยู่มันรับรู้ได้อยากกันนั้นเลย นะท่านได้โลคียชานชาญโลกีเหมือนพระเทวทัตนะมีกระแสอมหิตยอยู่ในตัวมีอิจฉาเ ว, วลาทำกรรมฐานเนี่ยมันไม่เป็นไปเพื่อการปล่อยวางนะมันเป็นความเรื่องอิจฉาริษยาอยู่ในตัวเวลาทำนี่สมาธิก็จะเป็นแบบสมถะนะแล้วก็จะเกิดฤทธิ์นะพระเทวทัตแปลงปลอมแปลงตัวเป็นงูเป็นอะไรได้ในตำรานะจนเขาไปหาพระเจ้าอาชาติศัตรูนฮะ แสดงฤทธิ์ให้ดูแล้วก็บอกว่าพระเจ้าชาตศัตรูปฏิวัติพระเจ้าพิมพิสารเถอะข้าพเจ้าจะช่วยข้าพเจ้ามีฤทธิ์มีเดชนะอย่างนั้นอย่างนี้นะจนกระทั่งปฏิวัตพพพพิพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้พิมพิสารก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะท่านเป็นโสตดัมบันเอาไปขังท่านไว้ท่านก็เจริญสติเดินจุกรมไปเรื่อยนะอืท่านไม่ทุกข์นะอันนี้ก็เหมือนกันนางอันเนี้ย เขาไปถูกทางเขาอยู่ที่บ้านกับบรรลุธรรมพระไปปฏิบัติทรสามปีเอาจิงเอาจังไม่บรรลุนะแต่นานี้เดินจง ก, กรมทาความเปลี่ยนเฉยเนะี่ยเกิดรู้แจ้งขึ้นมาก็เลยบอกเอา้าท่านทำอย่างนี้สิรู้สึกดีอย่างแบบนั้นแบบนี้เอาไปเอามายมผู้หญิงสอนพระบอกพระให้ทำเขาก็ทำความเปลี่ยนกันปรากฏว่ า, าทีแรกก็ตามไป สอบอารมณ์กับพระผู้ได้เจ้ากับพระในวัดเล่าใหังพื่อเอื่นว่าพระนี่ไม่มีทิฏฐิมานะเท่าไหร่ถ้าพระบ้านเราล่ะเอา้าถ้าปฏิบัติธรรมถ้าเกิดฤทธิ์เกิดเดชมีตาไฟเวลาสอนอันนั้นไม่ถูกทางนะมันจะโกรธ ด, ด้วยซ้ําไปนะนะส่วนมากพระที่ปฏิบัติแล้วคนยกย่องรับถือมีอัติเลกระลาบเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนมีตัวตนะคนอื่นเตือนไม่ได้นะทิฏฐิพระมานะกสัตริย์ ไปชวนมาปฏิบัติธรรมด่พระชวนยากมันน่าคิดนะคนทําอยู่กับบ้านรู้สึกตัวไปไม่มีอะไรในทากับรู้แจ้งคนไปทำจริงทำจังมันพลาดไยไม่ได้หมายก็ว่าทำแล้วมันจะเป็นให้มาเลยนะถ้างั้นพวกที่ไปทำมาเนี่ยปฏิบัติธรรมเขาก็บรรลุธรรมกันหมดเลยสมัยพุทธการก็มีเยอะแยะไปก่อนพุทธการก็มีเยอะที่คนทาปฏิบัติธรรม อย่างเไปอินเดียจะเห็นลือสีเต็มไปหมดะอะยิ่งในท่าน้ำค่าท้าการนิกาค่ายิ่งเยอะมากลือสีเนี่ยบางทีผอมก็ะล่องกระแนงไม่มีอาหารการกินเลยออกมาเป็นพรีเซนเตอร์ขอถ่ายลูกคนนั้นเอาสิบบาทก็นี่นก็สิบบาทลือสีนะยึดอาชีพใหม่บางทีนะแต่ลือสีบางองค์บางตัวก็คือจริงจังนะ จนก้นนี่เหี่ยวเท่ากับฝ่าเท้าเราเลยนะถ้าเราดั้ด้านแตกแบบนี้เนะี่ยคืาว่าเขาไม่มีผ้านุ่งเขาเอาจริงเอาจังบางวันก็ได้กินบางวันก็ไม่ได้กินก็ะเพงปดเวทนาอแบบนี้บางทีก็น่าจะบรรลุทำเป็นพระปัิเจกได้พระปฏิเจกคือบรรลุด้วยตัวเองแต่สอนคนอื่นไม่เป็นนะอาจจะเจอสภาวะธรรมที่เป็นแบบเนี้ยบ้างแต่พระพุทธเจ้าว่าส ม, มณะ ในโลกนี้มันไม่มีถ้าไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยความรู้แบบนี้มันจะมีแต่ในพุทธศาสนาในศาสนาอื่นนี่ไม่มีนะเท่าที่หลักฐานมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยในคมพีในตำหรับตำราเนี่ยพูดถึงเรื่อง ก, การรู้แจ้งไม่มีในศาสนาไหนนะมีแต่ในศาสนาพุทธนะนั้นต้องภูมิใจนะนับถือศาสนาพุทธแล้วได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก อแล้วก็มีไม่น้อยนะท่านนำที่ศาสนาพุทธ<ๆ>ก็ไปแล้วก็งมงายมาก็เยอะแยะไปนะไม่ใช่ว่าเลืองเหลืองแบบนี้แล้วจะสอนถูกเลยนะจะพาไปถูกนะไม่ใช่ก็มีมากมายหลากหลายมาที่นี่ก็เหมือนกันไม่ได้หมายว่าจะถูกทั้งหมดนะอะไรประมาณเนี้เราก็ดูเอาอพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อในการละมัสูขสิบประการ ได้ยินได้เห็นได้ฟังมาเชื่อตำตามมาอย่าเพื่อโดยกำลังคำนวณอย่าชั่วด้วยคนแสดงทำนี่อาการน่าเชื่อถืออะไรประมาณนั้นอย่าเชื่อถือว่านี่เป็นครูของเรานะอาจารย์ของเราพูดอะอะไรประมาณเนี้ยอย่าเชื่อว่ามันมีอยู่ในตำรับตำรายอย่าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องประลามมาลาถือมาแต่ปางก่อนเขานับถือกันมาตั้งแต่โน้นแต่นี้อะประมาณนั้นอันนี้เป็นเรื่องของคนส่วนมากนะหลายๆคนนั้นเัางสำนักนั้นเขายังไปคนยังเยอะอืมมีแต่คนมีการศึกษาอะไรประมาณนั้นไม่เกี่ยวกันนะ พวกการศึกษาดรงโง่ก็เยอะแยะไปดิไม่ได้ไหมายว่าจะฉลาดนะบางทีเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องข้างในอย่างเงีไม่ได้เกี่ยวเอาการศึกษาข้างนอกมาวัดนะอันนี้มันไม่เกี่ยวกันดังนั้นส ม, มถะเป็นการขวางขวางอารมณ์นะแต่เมื่อวันก่อนหลวงพ่อท่านพูดไปพูดถึงเรื่องจริงๆส ม, มถะกับวิปัสสนาเนี่ยแยกกันออกไม่ออก ตัวสมถะคือการรู้สึกวิธีการของเราเนี่ยสมถะคือขณะนี้ยังไม่เกิดปัญญาเนี่ขณะที่ฝึกสติระลึกรู้กายกับใจมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นสมถะไอ้ตัวสมถะคือตัวสมาธินั่นแหละตัวสมาธิเนี่ยเป็นสมถะเมื่อไหร่มันปิ้งเกิดวิปัสนาญาณขึ้นมารู้แจ้งดับกิเลสได้อะไรรู้ เ, เป็นวิปัสนาเกิดขึ้นที น, นี้ขณะที่มันยังไม่เกิดการถอนอุปาทานนี่ได้เป็นสมถะอยู่อืมแต่สมถะที่รู้สึกตัว กับสมถะที่เพ่งจ้องเนี่จะคนละเรื่องกันนะทีนี้สมถะที่เป็นบาทฐานของวิปัสสนากับสมมัถะที่เป็นบาดฐานของอารมณ์ฌานเป็นตัวฌานนี่ยจะคนละอันกันนั้นเวลาคนปฏิบัติทำบงทีเขาไม่ก้าวหน้านะสังเกตุห้าดีสิปียี่สิบปียิ่งงมงายนะักเข้าอ่ะมันมีความเชื่อมันไปเห็นโน่นเห็นนี่ขึ้นมานะเห็นไหมเวลาปฏิบัติมาพระเต็มคอมาก็มีนะ มันไม่รู้จักไม่รู้แจ้งอารมณ์รูปนามนามรูปไม่รู้จักใจรักไม่รู้จักสมมุติอีกล่ะเห็นไหมมันถอนพวกนี้ออกไม่ได้เพื่อเปลือกของจิตเนี่ยมันไม่ถอดออกได้ตามลาดับนะยิ่งปฏิบัติยิ่งมีแหวนมีสร้อยคอมีนาฬิกายิ่งแต่งเนื้อแต่งตัวคิ้วคางอะไรพวกโอ้ยมากมายหลากหลายกิเลสตัณหาจัดจ้านขึ้นมาเรื่อยๆอืไม่ใช่นะมันยิ่งเห็นความว่างเห็นความไม่มีตัวตนมากขึ้น เห็นสาระของชีวิตมากขึ้นคือพูดง่ายๆยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งเห็นทุกเป็นสุขเนี่ยผิดล ะ, ะเห็นสมมุติเป็นความจริงเนี่ยผิดละบางวัดนะเวลาเราไปพระพุทธรูปเต็มพระแทบนั่งไม่ได้นะพระพุทธรูปไล่หนีออกจากวัดคนนั่นมาถามมันขลังศักดิ์สิทธิ์นี อันนั้นก็ครั้งคจุดทูบจุดเทียนคันขมงจุดที่นี่เราไม่ค่อยได้จุดกันนะเพราะมีไฟฟ้าอยู่แล้วนะแต่ก่อนจุดประทีปประทีปตัวที่ประทีปจุดไฟปุดเพื่ออะไรเพื่อให้มันสว่างไงสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีไฟฟ้าไหมไม่มีเขาอาศัยประทีปจุดประทีปจุดเทียนนะจุดเทียนเทียนนี่คือสัญลักษณ์ของความสว่างมันสว่างสวัยมันเหมือนกับการจุด จิตของเราเองอ่ะสว่างข้างนอกสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมให้มีความสว่างคนสองคนเกิดมาต้องมีสว่างข้างนอกกับข้างในข้างนอกก็คือดวงตาเนี่ก็เห็นดวงจิตก็ต้องเกิดดวงตาเห็นธรรมเขาจึงให้จุดเทียนสองเล่มไงแต่เราไม่รู้เรื่องจุดลงไปเอามาหมื่นเล่มเนี่ยจุดลงไปเด่นจุดอยู่นั่นแหละถ้าไม่รู้จากความหมายเนี่ยเอาไปปฏิบัติไม่ได้นะอืม พุทธาพิเศษพุทธาพิเศษพิเศ ษ, เศษใครนะ่ะเอาพระเอารูปเอาเหรียญมาแล้วปลุกเสกมันจะเข้าไปหรือพระเป็นอะไรเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินน่ะเดี๋ยวมาทำํำมีหูไหมมันไม่มีนะเราจะสวดเข้าไปนี่มันจะเข้าไปเลยขนาดพวกเธอหนึ่งรูหูยังเกิดหูควายเนะี่ยก็ยังไม่เข้าไปเรางมงายไง นั่นยิ่งปฏิบัติยิ่งอะไรยิ่งงมงายมีแต่พิธีนั่นพิธีนี้นักเขา้านักเขา้านักเขา้ามันไม่ใช่พุทธะศา ส, สนาพุทธไม่มีได้สายศิลไม่มีน้ำมนต์ถ้างั้นพระพุทธเจ้าไปลดน้ําบนเอาหมดแล้วบรรุหมดแล้วได้ ส, ยสยายศิลป์พระเจ้าผูกมาหมดแล้วเพิธีนี้พิธีกรรมทางพราหมณ์ไงมันลื่นไหลเข้ามามันบวกกับวัฒนธรรมเราไงมันก็เข้ามาผูกข้อต่อแขนมีพระห้อยคอห้อยเหรียญให้ลุง อืมพวกเธอนี่เอาพระห้อยคอนี่ยังกลัวผีนะหมาไม่ได้ห้อยพระไม่ก ล, ลัวเขาป่าชาได้นะจริงๆนะขอจะมีของกินนะมันไปเลยอะ่ะไม่เห็นมันพูดห้อยกูลืมพระเว่ยกลับมาใส่พระแล้วค่อยไปไม่มีหมามันไม่ทำอะแสดงว่าเราโง่กว่า โมกามานะเคยพูดอยู่มันไม่รู้จักสมมุติยิ่งปฏิบัติทำสมถนะเนียยิ่งมีเทพองค์นั่นมีเทพองค์นี้ลงสิงลงมาสถิต พ, พ, พ, พระพรมพระเพ็มอะไรในี่เต็มไปหมดนะมันมันจะมีสมาธิแบบหนึ่งที่มันรับกับเรื่องพวกนี้ได้นั้นพวกนั้นจึงติดพรมมาพริกขนงกระเน็ดไปไม่น น, นี่เนหะลายอย่างอะนะ มีนายอำเภอมีประหลัดอยู่ตามเอวตามอะไรเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่โอ้ยไม่รู้จะว่ายัางไงบางทีพระบวชมายังมีประหลัดนะห้อยมาเนี่ยประหลัดก็เล็กหน่อยถ้านายอำเภอผู้ว่าก็ใหญ่ขึ้นนะเท่าแข้งเท่าขาพอเราไม่รู้ไงว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยในความหมายพุทธเาบอกว่าพระพรหมเป็นยังไงพระอินเป็นยังไงอะไรเราไม่เข้าใจ เขาเป็นปิศาจคาสอนพุทธศาสนานี่มีมีสองอย่างคือภาษาคนกับภาษาธรรมหรือธรรมมาทิ่ฐานกับปุคคลาทิ่ฐานพูดแบบให้มีตัวตนเข้าใจง่ายกับพูดสภาวะธรรมล้วนๆอย่างที่เราสวดไปวันเนี้ยดูเรื่องไหมเนี่ย ไม่รู้เรื่องนะนี่คือเขาพูดสภาวะทำรุ่นล้วนธรรมะอันนี้แหละที่เขาไปสวดงานศพนะเวลางานศพเนะีเขาพูดอันนี้แหละเวลาโยมไปแล้วก็ฟังนะคุยกันป้ากินของหวานไปพระก็สวดไปไดไหรือันะกินข้าวต้มข้าวเต็มไปมันมคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยน่าสงสารเสียดายอะ่ะในคำ ทำนายความฝันสิบหกประการของพระเจ้าปเัเสณที่โกศลนะไม่รู้จริงหรือไม่จริงอนะ่ะจะมีข้อหนึ่งนี้นั้นว่าในอนาคตการท่านฝันเห็นท่านฝันเห็นว่าฝันเห็นเอาถาดทองคำนี่ไปใส่ขี้หมามนะีแต่ขี้หมาถาดทองคำเนี่ย คนก็หลงว่านี่คือทองคาทองคําที่ยิงใส่ขี้มาคือสัจธรรมเนี่ยต่อไปจะได้ไปแสดงในงานเมาเล่าเมายาอะไรประมาณนี้จิตใจที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเอามาวางใส่เรื่องของสัจจะมันจะเข้ากันไม่ได้เลยอะ่ะแล้วมันจะเสื่อมลงสิบหกประการแล้วก็เสื่อมลงไปอ่านดูในหนังสือนะทุนตาเขียนนั้น น่าเสียดายตอนนี้มันก็เป็นจริงนะพอไปถามพุทธเจ้ามันจะเป็นอนะไรมันไม่เกิดกับพระราชวังหรืออาณาจักรของมหาบอพิษหรอกแต่จะเกิดกับศาสนาของตถาคตในอนาคตเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นคนจะไม่ใส่ใจน้ําเต้าเปล่าๆนี่จะจมน้ําแต่น้ําเต้าหินแข็งๆหนักๆ น, นี่จะไหลฟูขึ้นมานะ่ะลอยอยู่บนน้ํามันจะต่างไปมันจะมีคนคนหนึ่งฟันเชือก ฟันเชือกเอาหนังมาปัน่นมาฟันเชือแล้วก็ย่อนลงไปข้างล่างแต่ข้างล่างยิ่งฟันไปยิ่งหมากินไปเรื่อยข้างล่างแต่ไม่รู้สึกแต่ก็ฟันทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีแต่ไม่รู้สึ ก, กนฮ้ยทำไมมันไม่เสร็จสักทีวะไม่เสร็จเพราะไม่รู้ว่าดูหมากินอยู่ข้างล่างก็เลยไปถามพระเจ้าว่าหมายควาว่ายัางไงเนี่ยในความฝันมันเป็นข้อเป็นข้อเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปอ่านบ้างทีความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศลเนี่ย จะไปอ่านตายแต่หนังสือทำนายฝันอยู่นั่นแนะ่ะเลขตัวไหนนันกกูอัน น, นี้ได้อะไรมันไม่มีอะไรได้ไหนนั่นฝันนั่นฝันนี่อยู่นบางทีลูกหลานมาหาพระหาหลวงพ่อฝันไม่เมื่อคืนนี่โอ้ยอไปเด็กฝันแล้วโอ้ยหลวงพ่อสันเข่าแล้วก็บวมมี ทำกรรมฐ า, านกรรมเถือนนอกว่ามีฝันดีฝันเล่นนี่อย่าง น, นโอ้ยนอนตายซื้อโนลงพอนี่ก็ได้เลยแน่าดังนั้นปฏิบัติทำเริ่มต้นที่สติประธานทีนี้ความหมายมันจะเหมือ น, อนกันนะสติประธานมีสี่นะมันทําอันนี้แล้วทำให้เกิดอันนี้อันนี้ก็ทําให้เกิดที่จริงอันเดียวกันนะนี่ศีล ส, สมาธิปัญญานี่อันเดียวกัน ศีลคือความปกติเนี่ยปกติของใจแบบนี้เรื่อยๆทีนี้มันปกติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นสมาธิศีละนี่แปลว่าปกตินะเนี่ยมากขึ้นถ้ามากขึ้นก็นว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะ น, นิปติยันติตัสมาสีหลงังวิโสติเยเวลาสรุปศีลน่นะ โยมเอ่ยพยายามเรื่องรักษาศีลและทําให้มันมากๆขึ้นนะศีเลนะสุขติศีลถ้าจันมีศีลเนี่ยโยมจะมีความสุขนะศีเลนะโพคัสมปทาโยมจะมีศิละปะในการบริโภคทรัพย์มีทรัพย์บริโภคไปไหนมาไหนก็มีทรัพย์มีอริยทรัพย์ทางไหนมีความสุขความสมีความอดความทนมีความโปร่งความโล่งความอธิศีลอธิสมารเริ่มมีอ่ะแล้วศีลตัวนี้ทํามากๆเขามจะเป็นวิปัสสนาญาณ ถ้ามีมากๆเนี่ยแต่เราไม่รู้จักถ้าเรารักษาศีลห้าสินแปดอะไรอยู่ประมาณนี้ไม่ได้มีนําซ้ํามีอะไรล่ะศินเนี่ยมีแปลงด้วยนมีแปลงศินอันนั้นแปลงศินอันนี้มีเล่านี้ทานประกอบก็มีอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีเอาไปามาแนละ้วคนก็เลยเฮ้ย่ะไปเชื่อเด้ออะไรประมาณไม่มีหลอกตกนรกปัจจุบันนี้ นรกมันไม่มีมเคยได้ยินไหมนิทานถ ล, นลนะ่มนรกน่ะอืมีคนไปถล่มนรกแล้วเดี๋ยวนี้ตายก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่ได้ไปอะถ ล, ล่มนรกมันมีอ่ะคนว่าเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันศีลไตรสิกขาเนี่ยไตรสิกขาการศึกษาสามอย่างศีล ส, สมาธิปัญญามันมีในเสียวสวัสดิน์นิทา น, นว่า เขาจะถามว่าสีเฉลียวมันจะถามขี่เรือไปมัถามว่าบ้านอันนี้เป็นภาษาอีสานนะบ้านอันนี้มีผู้เท่าสามขาบ่อนออเขาไปถามไปถามว่าบ้านนี้มีผู้เท่าสามขาบ้างไหมเขาก็บอกว่าโอ้ยถามอะไรก็ไม่รู้นะผู้เท่าสามขาก็เต็มไปหมดแหละเท่าออกมาก็ต้องมีขาก็ไม่ใช่หระคนแก่เท่าที่มีศีลสมาธิปัญญา มีไม่ในหมู่บ้านเนี่ยมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขามักผลนิพพานเนี่ยบ้านนี้เขามีกันไหมเนี่ยก็ถามคนไม่รู้ไงคนไม่รู้ก็ น, นึกว่าแกเป็นคนบ้า น, นึกว่าสีเฉลียวเนี่ยเป็นคนบ้าคือถามอะไรแปลกๆนะไปเห็นมองไปเห็นเอาวัดนี้พอไปเจอวัดวัดนี้มีพระบ้างไหมไปถามพระนะ ถามพระพระกําลังนั่งฉันกับพระว่านี่พระทําไมว่าเอ้าตาแตกไม่ดูแล้วนี่กูก็พระนียเขาถามว่าพระที่บรรลุธรรมแบบพระที่เป็นพระโดยสภาวะธรรมพระที่เป็นพระที่จิตไม่ใช่เป็นพระที่กายเนี่ยมีบ้างไหมเขาถามพระก็เลยออืเจอของจริงอ่ะคือถ้าเจอแกนีนต้องเฉลียวทันทีอ่ะนะสีเฉลียวเนี่ย เจอเราต้องเฉลียวใจทันทีต้องกลับมาคิดอีกทันทีไปสักน้อยแกจะถามว่าแม่น้ํานี่มีเห็นบ้างไหมข้างล่างเนี่ยแกถามมีเห็นมีเกาะมีแก่งบ้างไหมข้างล่างเนี่ยไถามถามใครอะที่ถามเนียแกถามพ่อเท่านะถามว่าที่พ่อตา ควาที่พ่อตาเนี่ยมองดูเฮ้ยกูจะเอมไหมไอเนี่ยมันบ้าบ้าบองอแล้วเนี่ยเนีแต่คนที่ตอบปัญหานี้ได้ความหมายนี่ไปถามพ่อกับไปบ้านแล้วไปเล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวชื่ออะไรนะเออเ ส, ส, สียวสวาดเสียวสวาสดนี่ยแกจะเล่าแกจะพูดให้ฟังนะโอ้นี่ความหมายนี่ว่าอย่างงี้นะคุณพ่ออันนี้เป็นอย่างนี้นะเขาเริ่มตั้งแต่บ้านนั่นแหละมีบ้านสอง หลังบ้านหนึ่งหนึ่งเสร็จแล้วบ้านหนึ่งหลังหนึ่งไม่เสร็จนะก็จะมอบให้ลูกสองคนว่าใครจะเอาหลังไหนคนนี้คือจะเอาหลังนี้คนนี้ก็เอาจากหลังนี้เอาหลังหนึ่งเอาหลังที่ไม่เสร็จเนี่ยมันจะมีความหมายแบบหนึง่งเอาหลังที่เสร็จแล้วเนี่ยมีความหมายไอีกแบบหนึ่งนะนิทานธรรมเป็นภูมิปัญญาคนโบราณเขาสอนปัจจุบันนี้มีแต่นิทานตันหาราคะมันยากนะไม่ใช่ง่าย พวเธอเลยชีวิตว่ายากแล้วเนี่ยหลวงตาว่ามันไม่ยากหรอกมันไปผิดทางมันเลยยากมันไปผิดทางมันเลยยากพอรู้จักนะศีลสมาธิปัญญาศีลไอ้ที่เรามีกับศีลนี่ไม่เหมือนกันนะสมาธิแบบที่เรามีนี่จะมาสมาธิสมว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยพวกเรามีเท่าไหร่ทาการทํางานหาเงินหาทองอะไรปรมาณนะความจําความคิดพูณแต่งคือเรามีขันท่านะมีรูป เวสันสังเวียนเนี่ยอันนี้เรามีดีอยู่แล้วมันมีดีเราก็ไหลไปตามนี้เฉยๆเอา้าใช้รูปใช้เวทนาใช้สัญญาสังขารวิญญาณสมาธิเนี่ยตั้งใจมั่นตั้งใจที่จะทำอะไรนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ใช่ตั้งใจที่จะเห็นที่เกิดของทุกข์นะเข้าใจไหมมันไม่ใช่สมาธิแบบพุทธ สมาธิพุทธนี่คือต้องเห็นทุกสมุทัยนี่รุ่ดมากือต้องเห็นที่เกิดของทุกทุกมันเกิดอะไรอ่ะเมื่อเกิดตรงไหนอ่ะเกิดที่ความคิดเกิดที่เกิดจากอุปท า, านเรายึดมั่นถือมั่นในกามในทิฏฐิในอัตตาตัวอัตตาในสําคัญอัตตาสําคัญศี่รับตัวอุปท า, านี่คือยึดมั่นในในประเพณีพิธีกรรมในความเชื่อแบบงมงาย ที่บอกว่าโง่กว่าหมานั่นเนะนี่ยนนะเราเชื่อประเพณีพิธีกรรมนะอย่างเราไปท่านพนมไปนู่นไปนี่มีมันมาแล้วหลวงพ่อปล่อยนอกปล่อยนอกเอามึงก็ปล่อยไปเลยดิมึงให้กูปล่อยทำไมมนะอย่าขายเอาขายก็ว่าขายเลยน้องปล่อยเอาบุญเนี่ย น, นี่กูไม่มีเงินซื้อหรอกไหมนะดอกไม้ก็วิ่งมาขายแล้วดอกไม้ก็พอซื้อสนหนไปว่าเดี๋ยวไปเก็บมาอีกแล้ว เวียนไปเวียนมาบางวัดสังฆทานก็ขายแบบนี้เหมือนกันว่าไม่ได้เอาหล่าหนูเอ้ยเอามือมาแล้วสองมือดีเดียวไหวเอาอย่างนื้ไหว้เอาเพราพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติบูบชาดีกว่าในส่วนมากถ้าเป็นขบวนทัวร์ของหลวงตาคือไม่ค่อยได้เสียเงินน่ะเรื่องพวกนี้นี่เวลาไปก็ไม่ค่อยได้เสียเดินไปเจอยไม่มีอะไรคนวิ่งมาขายเลยไม่ค่อยได้ขาย ไปจุดทูปเทียนบูชาพระนูนนี่ไม่ค่อยได้ทำเขามาขายทองติดพระพุทธรูปไม่ได้ติดมีเตจะไปแกะเอาทองเขามาเพิ่มลูกๆคำคำโอ้หลวงตาพูดนอกเรื่องไปพมา่านี่นะมีพระพุทธรูปห้าองค์ที่ชาวพมา่าเขาติดมากติดมากจนกระทั่งว่า ไม่เห็นพระปิดทองมันเยอะนะ่ะตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีเลยเขาติดเยอะมากนะติดจนกระทั่งว่าเป็นพระเนื้อนิ่มนะ่ะเวลาไปแตะๆดูมันนิ่มนิ่มไปด้วยทองคําเปรวนี่มันติดหนามากนะ่ะเขาศรัทธามากกว่านั้นนะคือตาหูไม่มีนะ่ะกลมเหมือนน้ำเต้านี่นะแขนก็ไม่มีนะแต่ก่อนเป็นแขนนะ แต่เขาติดแลนพองคํามันท่วมไงมันมากกว่านั้นเลยเขาศรัทธามากจริงๆนะดวงตาว่าโอ้ยหลวงพ่อได้เยอะแล้วผมไม่ติดนะวะ <c oughs> ไม่ติดนะท่านได้เยอะแล้วนี่มากเลยมันเชื่อจริงๆนะแต่เขาไม่ขโมยนะถ้าเป็นของไทยนี่ได้ใส่กรงขังไวินพรนะน่ะต้องอยู่ในกรงนะถ้างกิดขโมอยจอะหมดนะไม่เคยเห็นเขาติดพระเยอะขนาดนั้น อันแหลมๆหลมขึ้นก็แทบไม่มีนะไม่มีเลยนะมันเป็นอันเดียวกันเลยนะกลมอุดหลูดเลยนะนะห้าองค์องค์หนึ่งหายหายเพราะท่านดำดินไปเขาบอกหายไปไม่ได้ขโมยนะแต่หายไปเหลือความไปดูนะที่ทะเลสาบอินเล ที่อยู่กลางทะเลสาบนะมีวัดนะั่นจะมีพระพุทธรูปไปนั่นนะนะ่ะเดือยสี่องค์ไม่เห็นหัวไม่เห็นตัวก้อนกลมๆมีแค่เนี้ยแค่เนี้ยเฉยๆโอ้สัทธาเขาสูงมากสัทธาจริงๆอะ่ะ ประเทศไทยเราก็เหมือนกันนะวัดนั้นวันนี้เราไปเนี่ยมีแต่คนไทยได้ชอบมากชอบทำบุญทำทานเนี่ยคือมาศึกษาพุทธศาสนาแต่ศึกษาอยู่ห่างๆมันไม่เข้าไปมันไม่เข้าลึกไม่ได้ปฏิบัติทำพุทธมณฑลก็ตั้งไว้นั่นแหละตั้งไว้เฉยๆไม่ได้มีอะไรนานๆนทีก็ไปเดินเวียนเทียนสักหน่อยนะเป็นที่พบรักของหนุ่มสาวนะ ถือเทียนอยู่ทูบกันสายทุกอ่าพระเจ้าได้แต่งงานกันนะครับเอ้าพระพุทธเจ้าจะมายุ่งอะไรกับมึงนะวันในี้นี่ก็มันคนละเรื่องกันเนะี่ยมันใช้พระพุทธเจ้าไม่เป็นที่เป็นทางนะจริงๆนะร้อยละ 80, แปดสิบเก้าสิบน้อเป็นอย่างนั้นนะแหละจะมีรอกที่หนึ่งตั้งใจไปทำปบำเพ็นบุญา ของเขาก็าตื่นตั้งแต่เช้ามานั่งสมาธิแล้วตีสองนั่งสมาธิแล้วหนาวก็่าหนาวแต่เขาก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์เวลานั่งเขาก็นั่งย่องย่อนั่งย่องยองนะนั่งแล้วก็สวดมนต์ก็เปิดคำพิณแล้วนะนมโามาตัสสะภะคะวะโตนะโตเสียงโอ้ขอเขาขึ้นเขาทุ่มหมดตัวน่ะไปบ้านเราเรียกว่างมงายหรือไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาเต็มที่เลยนะบ้านเรามันฉลาดเกิน ไม่เอาแล้วเนีย่ยเขา ท, ทําริงจริงยังจังนั้นก็อยากให้พวกเราทั้งหลายถ้าทําแค่เนี้ยถ้าทําผิดนะมันไม่ได้ลงไปอย่างนี้ปุ๊บศีลนี่ก็ไม่ได้มีสตินะเป็นแกนนะไม่ได้ฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่มีความเข้าใจเรื่องศีลเลยเรื่องสมาธิก็ไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นเรื่องสมถะทันทีเลยนะะข้าวัดปฏิบัตินั้นกลายเป็นตัวนี้ทันทีนะ ศีลพระตุปราทานอุปทานยึดมั่นหรือมั่นในประเพณีในพิธีคําคิดว่าศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมาทันทีนะมันจะมีความเชื่ อ, อ น, นี่ขึ้นมาทันทีอ่ะไปบางวัดเนี่จุดทูบจุดเทียนจุดสูงเท่ากับสลาเนี่ยปักเรื่อยๆก็มาปลุกแล้วก็ลงกินเนสบุ๊กนี่ตอนถามว่าทําไมไม่เอาไปเผาเนี่ยก็เพราะอันนี้แล้วมันมีชื่อเสียงคนมาทำบุญเนี่ยทูบเยอะสูงนี่แหละต่อมาได้ยินข่าวไฟไม่วัด นั่นพอไปทำสะอาดก็ทำสะอาดดิบางทีเราก็นึกถึงประเพณีพิธีกรรมอะไรนี่คิดว่าจะช่วยเราได้ต้องไปบนบ้านสารเก่าคนเดียวนี้มีด้วยซ้ำไปแต่งงานไม่ได้ลูกไปขอกับพระเห็นหลายคนเนะี่ยโอ้หลวงพ่อขอลูกหน่อยเถอสักคนหนึ่ง คุยไปปรึกษาสามีเธอเถอะไปหวัวมันนี่นไม่เข้าใจอะ่ะอ่อนประสบการณ์เหมืนอนนีนะหรือไม่ก็ทางหลวงปู่นั่นนะว่าเก้าชุดนะ ท, ท่านนันพอได้อยู่คือมันไม่รู้จะว่ายัางไงรถ้าพูดว่ามันเป็นทุกข์้ะโยมนะก็พูดไม่ได้นอเขาก็หวังนะหวังแต่บางเอืน่น พ่องนโมบางนะอันนั้นอันนี้บางนะไปก็บางทีมันก็ได้โลกอยู่ว้าให้หลวงพ่อดิศศิษย์แล้วเกินเนาะนนะใจมันดีเฉยๆล้วหมั่นเงินไขมันไม่ได้เกี่ยวกันนะนะถ้างนั้นเขาก็ไม่ทํากิบทําเกึบแหละเนาะนะทําแต่พระนี่แหละนั่นมันคนละเรื่องกันตัวนี้สําคัญเดี๋ยวนี้พวกพวกเรียนทุงสูงพวกรัฐมนตรีพวกเรประเบาๆเนี่ยหนักเห็นไหมหน้ารัฐสภาเนี่ย เดี๋ยวเอาต้นปาล์มมาเพราะว่าคอยป่าปาล์มเอาต้นโกศลมาให้มันมีกุศลปลูกต้นโกศลทั้งนั้นปลูกต้นอันนั้นอันนี้ไปฟังหมอดูหมอเดาถ้าทำถูกดีมันจะมีปัญหาอะไรถ้าทำดีเนี่ยใช่ไหมคนชอบไม่ชอบกับเรื่องธรรมชาติของจิตคนเน่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ เดี๋ยวเอาต้นนั้นย้ายออกแล้วแต่ละครั้งมันหมดกี่เท่าไหร่อะเอามาให้หลวงตาอบรมคนจะได้ปัญญามากกว่านะงบประมาณเนี่ยนะได้ยินข่าวอา้าวทำพิธีแล้วย้ายนั่นอันนี้แล้วเอาอันนั่นออกอันนี้เข้าเรียกว่าอะไรนะสีลัพตุปาฐานสีลเบเขาว่า ยึดมั่นถือมันในศีลในข้อวัตไปบางคนก็เคร่งเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยยึดมั่นถือมันศีลกลัวมันจะหลุดนะเดี๋ยวว่าจะเล่านิทานเรื่องหลวงจีนห่วงศีลให้ฟังห่วงศีลยึดมัน่นศีลพดอะไรประมาณ น, นี้ยากที่จะผ่านอันนี้นะมันเป็นอุปทานอุปทานบางคนก็ยึดมั่นถือมันเหลือเกินนะบางทีกินอาหารเลยเวลาเที่ยงไปนิดหนึ่ง เป็นอบัตุขมมอบิอ้ีบแล้วะเา์ัตาส์ัตาสปตตอรุจิิเสตตาอารจิิเสา์ัาสา์ัาแล้วตอนเย็นนี่ยเอาจิงเอาจังบันทีก็มีคาถาวีโนมินโอจะตายจะให้ได้อ่ะอืเป็นเอามากเพราะอะไรเพราะนี่ละเย็นแล้วประตุประทานเห็นไหมคนมาฟังเทศฟังธรรมค่ามดผิดศีล่าเมืองผิด ตอนมาเน่ยเดินดีอยู่แต่ตอนกลับบ้านน่ยหาทางลงขาไม่ได้พ่อจะเก้าเมียมารับว่าผัวยังไม่กลับบ้านเป็นอะไรแก๋กาลังเดินกลับบ้านแต่เก๋ต้องหาที่วางกลัวเหยียบมดเนะเที่ยงก็ยังไม่ถึงบ่ายสองนะถึงบ้านทั้งที่มีสิบนาทีเองมาวัดเนี่ยขี่รถมานะพ่ออะไรพ่อมยึดมากเดี๋ยวนี้ก็พูดกันนะเอา้ากินเนื้อไม่กินเนื้อกินเนื้อบาปหนัก ทำลายสัตว์ส่งเสริมการฆ่าเลยไม่คิดอะไรไม่ได้หรออยู่สัก์แต่ว่าเฉยๆนี่ธรรมดาเนี่ยใจใจวันหนึ่งไม่มีความหวังไม่มีอดีตไม่มีอนาคตอยู่ด้วยใจว่างๆเนี่ยไม่ได้หรืออยาให้มันมีสมมุติอะไรขึ้นมาเนะ่ะ สมมติทั้งหลายทั้งปวงบาปบุญคุณโทษนี่เขาเอาไว้เพื่อให้ไม่ให้คนทำชั่วไม่ให้คนคิดชั่วถ้ามันว่างอยู่แล้วยังไปยึดมันมันก็เกินไปนะเนี่ยทิฏฐินี่ก็อย่าลืมนะทิฏฐินี่ก็คิดขึ้นมาเองเรามีทิฏฐิมีความนึกความเห็นต่อโลกต่ออะไรประมาณนี้มันเป็นความคิดถ้าที่จริงเราไม่คิดมันก็ว่างนั้นคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดมีไหม ตายแล้วเกิดใช่ไหมตายแล้วศูนย์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ตอบนะอพยากตะปัญหาปัญหาสิบอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบตายแล้วเกิดก็มีใช่ไหมไปถามอีกนะท่านเฉเฉยตายแล้วไม่เกิดก็มีใช่ไหมท่านก็เฉย อ, อยู่คนหมดกิเลสตายแล้วไม่เกิดใช่ไหมท่านเฉยเฉยอยู่อืคนยังมีกิเลสตายแล้วเกิดอีกใช่ไหม คือพระพุทธเจ้าผิดตายแล้วเกิดผิดตายแล้วไม่เกิดผิดตายแล้วทั้งเกิดก็มีไม่เกิดก็มีใช่ไหมผิดผิดหมดนะ่ะมันผิดตรงไหนรู้ไหมน่าจะาคําตอบเมื่อไหน่น่ะถูกนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตอบคําถามแบบนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่าน ผิดตรงที่จิตมันไม่ว่างจิตมันยึดทิฏฐิว่าตายแล้วเกิดมันไปยึดความว่าตายแล้วเกิดไปยึดอาการนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนคําสอนพุทธศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดใช่ไหมมันคนละเรื่องกันน่ะตายแล้วเกิดไม่เกิดมันคนละเรื่องกับความสอนพุทธศาสนาเนี่ยแต่ตายแล้วเกิดในพุทธศาสนาท่านไม่ได้หมายถึงรูปตายไม่ได้รูปเกิดแต่เป็นเรื่องจิตถ้าจิตบอกว่าตายแล้วเกิด การปฏิบัติจะผิดทันทีอ่ะตายแล้วศูนย์การปฏิบัติก็จะผิดทันทีตายแล้วเกิดก็มีก็ศูนย์ก็มีก็ผิดทันทีอีกแหละคือถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจนะดังนั้นทํายังไงเราจึงจะสลายอันนี้ออกไปได้เนี่ยแต่ก่อนมันไม่มีในในจิตแต่สะสมมาข้างก็มีพวกนี้ทีนี้จะเอาพวกนี้ออกเวลาเราสวด พิสูจทั้งหลายเหล่านั้นว่าหลุดพ้นจากอาสวะธรรมเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานดังนี้แลเป็นพระหันขีนาศพขีนาศพอ่านว่าไงนะออขีนาศพ บ, บางทีเขาก็เขียนขีนาสะวะวแหวนเนี่ยเท่ากับพอผ่านขีนาสะวะ ผู้ปราศจากอาสะวะขีนาสะวะปราศจากอาสะวะขีนาสะวะอาสะวะมันลุษนะ่พระอรหันต์ขีนาศพก็เียกเพราะไม่มีอันนี้ทีนี้ทำไงมันจะทำอันนี้ให้มันขึ้นมาสูงให้ได้ก็หลักปฏิบัติก็คือมีสติอย่างที่ว่านะ่ ส ต, ติทำมากๆดูกายเวทนาจิตทำพอมันมีความเข้าใจความปกติมันก็เกิดแล้วนี่ความปกติมันก็เกิดนั้นพอเรารู้จากอันนี้พอผ่านอันนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มรู้จากตัวปกติทันทีอะพอผ่านนี้มาพอมันเป็นวิปัสสนาเนี่ยจิตรู้จากปรัตมัเนี่ยศีลจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในจิตไม่ได้หมายว่าเราไปสมาทานจากพระมันจะเป็นนะดูด้นี่อารมณ์เนี่ยปฏิบัติทำตอนนี้รู้สึกตัวเนี่ย รู้สึกรู้สึกนี่คือสตินะรู้สึกตัวรู้สึกมากขึ้นมาขึ้นจนกระทั่งพอเกิดวิปัสสนารู้รูปนามเนี่ยรู้รูปนามคือสามารถแยกสติกับความคิดออกกันชัดเจนเนะี่ยคนไหนที่เดินไปเอาความคิดมันดับเองเอา้ามันว่ากัดดับเองสติก็รู้ตัวดีความคิดก็ดับไปเองดับไปเองแต่ก่อนไม่อะความคิดเกิดขึ้นกันลากไปความว่วามเหงคางคือคุมนิวรได้เนะ่ยพวกเนี้ย แต่ว่ามันจะมีอาการรูรูปนาคือมันจะตื่นโพล่งสว่างขึ้นมาแล้วมันจะแยกเอา้าตัวรู้ตูวต่างหากตัวคิดต่างหากเนะี่ยเขาเรียกว่าคนเข้าถึงอารมณ์รูปน้ําได้เรียกว่าได้สติในระดับรูปน้ําดูดิมันมีกี่รูปเนี่ยจะมัวทําเล่นนย่มันจะได้อะไรสติในระดับรูปน้ําคือมันอยู่กับรูปเป็นแล้วเนี่ยสบายแ ล, แล้วที่จะโพร่ง มันเริ่มเห็นรูปสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นง่วงก็ไม่มีคิดก็เริ่มน้อยลงน้อยลงมันมาก็ดับไปเองดับไปเองเนี่ยนี่ได้สติรู้รูปนามแล้วคนรู้รูปนามเนี่ยมันจะเริ่มไปทางเป็นทางทางไปนี่ยมันจะไปถูกทางอมันจะเริ่มไปถูกทางแล้วแต่ว่ารู้รูปนามนี่หนึ่งชงั่วโมงทะลุนี่ก็มีนะพุทธศาสนาไม่เหมือนอย่างอื่นนะเกิดปิ๊งขึ้นมาในมดเลยนะอันนี้นะ แต่บาทีก็ทีละน้อยทีละน้อยเหมือนไฟไม่ขอนกับไฟไม่ฟางไฟไม่ฟางก็ปุ๊บทีเดียวไฟไม่ขอนก็ค่อยๆไปอ่ะคือฟังทีละน้อยมาปฏิบัติงวดนี้ก็ขยับไปน้อยหนึมางวดนี้กูก็ขยับไปน้อยหนึ่งอันนี้ก็ค่อยเนี่ยก็มเรื่อยๆเรื่อยๆนะเราคิดว่าโอ้คนนี้ยังไม่อยู่นเนี่ยมันยังไม่อยู่นะจิตเขายังยังสนใจเรื่องนี้อยู่แต่บางคนมาครั้งเดียวเท่านั้นแหละ ไม่มาอีกสักครั้งนะฮะเพราะอะไรโอ้ยลาบเข็ดคือทางชีวิตกูคนละทางอ่ะอือกูอยากอยู่กับพุ่งซ้านกู อ, อยากอยู่กับพุ่งแต่งกู อ, อยากมีความหวังอดีตอนาคตกูอยากนั่นอยางนี้คือมันไม่เห็นรูปเป็นรูปเลยเนะี่ยคืออยากอยู่กับสมมติตลอดนะฮะมีสมมตินี่ก็มีบัญญัตินะ จิตมันติดเนี่ยเห็นไหมเขาออกได้เียรอันทีนแต่ก่อนมันไม่ว่างเลยรูปนี้ก็ไม่มีมันเป็นตัวตนตัวกูของกูนั่นมากนะนะกามเนี่จะเริ่มรู้เท่าทันบ้างหน่อยๆ น, นะเนี่ยพวกที่รู้รูปนามนี่การกินการดื่มการไปทางข้างนอกแต่เรื่องเพศมันจะนังยังนะยังไม่ได้แตะมันนะแต่การติดทางตาหูจมูกลิ้นการกินการดื่มกันนุ่งเสือ้อนุ่งผ้าอะไรทสวยงา ม, ม, ามันจะเริ่มลดละ ถ้ารู้รูปนามนี่มันจะเริ่มสะละละเริ่มดีขึ้นดีขึ้นพอมาถ้ารู้มาตรงนี้ปุ๊บนี่ไอความเชื่อความขังความศักดิ์สิทธิ์นี่จะหลุดปิ้งออกไปเลยอะ่ะแต่คนเราเคยกลัวผีเนาะสงสัยเราเดินไปเนี่ไปที่เมนเนี่ยวายไ่จากไปเด้ไปเมนนะไปเดินจกกุกรมอย่างนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็เหม็นมาหอมมามันจะเกิดขึ้นนะอาการ ถ้าคนมีอุปทานอยู่นหน่อยเนี่ยพวกทําสมถะมันจะเป็นภาพขึ้นมาเลยนะเป็นผีเป็นกระดูเป็นอะไรขึ้นมาเลยนี่ะเฮ็ดนี่บางคนเป็นบ้าเป็นอะไรไปก็มีอะเพราะจิตมันหลอกตัวเองนะ่ะคือมันวิ่งชนข้างในตูมทีเดียวนะอุปทานนั้นนะ่ะเลยบ้าใบไปเลยแต่บางคนมาที่อะไรก็ว่างก็เห็นเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันก็ดับไปแต่ถ้าคนไม่ได้ฝึกสติไปอยู่ใกล้ไม่ได้กลัวกลัวนะ ไอ้ความกลัวเนี่ยนะมันมีมาตอนไหนรู้ไหมท่านกลัวผีนี่กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลัวนี่กลัวมาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะเนาะคือมันสะสมมาน่ะแต่ว่าถ้ามันเกิดวิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะหลุดพวกออกไปเลยนะมันหายไปเลยตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เป็นปฏิบัติทํามแล้วก็หายไปเลยอ่ะมันไม่มีมันไม่มีมันไม่เป็นอีกน่ะนะมันไม่มีเลยไม่เคยกลัวอะไรเลยเข้าบ้านคนเดียวก็ได้อะไรก็ได้เลย เปิดไฟไม่เปิดไฟว่าทให้ทํา ไ, ได้อะเมื่อก่อนมันไม่ได้นะจะรู้ทันทีว่ามันเป็นแต่แต่วันนั้นแล้วมันหลุดไปเลยบางคนก็ติดลูกติดล้านติดนะถ้าเป็นแม่ก็จะติดลูกชายเป็นพ่อก็จะติดลูกสาวติดห่วงกระดัดกระโดกนะตามอยู่เรื่อยนะเห็นไหม วัดโฉมนั้นเนี่ยโนตาดึงโทรศัพท์ออกได้หลายเดือนละมั่งนี่ไม่ร้องขึ้นมาทุกทีเนี่ยเพราะว่าคนมาปฏิบัติธรรมันสวมากพ่อแม่พี่น้องมันะโทรม า, าขอสายกับคนนั้นหน่อยนะครับจเจ้าวาดใช่ไหยครับไม่ใช่ ห, หลวงพู่สังนะเนี่ยวันนั้นันนี้ถามนั่นถามนี่ก็เลยว่าฮเฮ้ยแมว ก็เลไม่มีอ่ะโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันไม่มีนะไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรกันนะเพราะคนถามอยู่เรื่อยๆถามนั่นถามนี่นะก็เลยให้ถามไปถามทางเน็ตเอาซะมีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ถ้าทางวัดนี่ก็อีกแหละนะยาวอันนั่นนี่ขอคุยกับคนนั้นหน่อยได้ไหมคนนี้ตายคนนั้นนี่เออตายแล้วก็พากันเผาไปเถ อ, อนะว่าะไฟอันเดียวกันนั่นแหละไม่เหมือนกัน บางทีบางคนมันลอจังหวะจูโอ้ยถ้ามีคนโทรมันกูหนีกลับเลยนะเนี่ยมันหาเหตุหาปัจจัยอยังไงมันอยากไปงั้นก็อย่าอย่าโทรอย่านูน้นอย่านี่อะไรประมาณนะั้นก็จะง่ายขึ้นบูตานบอกเออถ้ามานี่เก็บโทรศัพท์เก็บอะไรนี่ยถ้าไม่เจ็ดวันมาขอไม่ต้องให้หัวมันนะ่ะเจ็ดวันผ่านไปก่อนค่อยมาเอา จะกลับก่อนจะเป็นอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็นตามนะถ้าไม่ใช่เช้าวันที่ห้านี่ยไม่ได้เพราะตะขี้เกียจไงต้องไปเอาใจใส่ต้องไปเปิดตู้เซฟแบบนั้นแบนี้ต้องไปเปิดสมุดเบอร์ไหนแเรากูลืมไปครั้งหนึ่งเลยเนี่ยยังมาวุ่นวายอยู่กันนี่ก็ไปสนใจคนที่เขาปฏิบัติธรรมจะบรรลุธรรมไม่ดีกว่าหรือจะมายุ่งกับอะไรก็ทําไมเนี่ยในนี้ในนั้นถ้าจะมาปฏิบัติธรรมเอาโทรศัพท์ไว้บ้านนวลอย่าเอามา ตนกลับวันนี้กลับไปเลยโทรศัพท์คุยอยู่บ้านนู้นสบายแต่เนี่ยมันก็ต้องดูแลนะอหรือฝากคนไว้ข้างนอกนู่นถ้าเข้ามาที่นี่ก็เข้าระบบมนแล้วแต่ถ้าอยู่ข้างนอกถ้าคนโทรมานะสมมติว่าคนเก็บไว้ข้างนอกเนาะโทรคนโทรมาปุ๊บเข้ามานะันคนนั้นรีบมาบอกมาบอกคุณนั่นคุณนี่จบเร็วเนะี่มันจะได้ออกไปไวอ่ะ แล้วจะไม่ได้อะไรเดยอืมบาทีเวลาคนวิ่งมาบอกลุงตาว่าห้ามเข้าไม่ให้เขาเข้ามาไม่ให้มาส่งข่าวน้่นข่าวนี้มันจะมาส่งทำไมนะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องการเห็นแจ้งนี่เด้นันปฏิบัติธรรมเนี่ยอันอื่นเป็นเรื่องหนึ่งในธุรกิจพันล้านก็ไม่เท่าอันนี้เด้ซื้อเอาไม่ได้เด้เนี่ยนั่นทำแล้วทำจริงๆงจังบอกว่าใครจะมานี่เขียนใบตายซะ เอามาทําจริงจริงจังๆเลยเนา ะ, ะถ้าไม่ทําจริงก็ไม่จริงแล้วมันก็ไม่เห็นน่ะกว่ามันจะออกได้ไม่ใช่ง่ายเห็นไหมเดินไปเดินมามีแต่อดีตอนาคตขนาดบ่ท้มากนี่กูกับพ่อตายแล้วอื <c oughs> มนี่ท้มาแห่งนี่คือเติมหลายแนวนั้นให้เห็นรูปนามพอเห็นรูปนามก็เห็นนามรูปบางน้ํารูปก็คือความคิดน่ะอันนี้อันนี้เห็นกายนี่เห็นความคิด คือเห็นจิตนี่มันกว้างมากอะแต่ น, นี่เห็นความคิดเห็นความคิดความคิดนี่มันมีความ ค, ความอยากนี่ยมังไม่ใช่ความคิดนะนะตีเดตันหาอาสวะที่อยู่ในจิตนะเขาเรียกว่าเห็นเป็นธรรมอารมณ์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันลึกมากนะอันนั้นก็อันนี้แค่เห็นความคิดแล้วตัดความคิดได้บ้างเป็นบางอันเนี่ยเห็นนามรูปมันเป็นนามนะเป็นความคิดไม่มีตัวแต่มันเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูป เห็นรูปเห็นรูปแม่รูปพี่รูปน้องรูปคนนั้นคนนี้ที่เราคิดถึงเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยเห็นคนคนหนึ่งนะพูดถึงลูกสาวทุ่งเน้นๆน้ำตาจะไหลทันทีจิตมันฝังงถ้าปฏิบัติเยอะๆเดี๋ยวมันหลุดไปเองไงเขามาถามว่ามันจะหลุดไหมหลุดถ้าเอาจริงเนี่ยมันหลุดเพราะมันมีอันนี้ไงเอาคิดถึงลูกสาวเป็นตัวไหนนี่เฮ้อ เอออัตตาทุปทานตัวกูมันมีตัวกูของกูอะ่ะพูดไปพูดมาก็จะหมดทุกตัวนี่แหละเม่ที่จะไปสอบก็ไปเสด็จเคราะหปไปนนไปนี่โอสารพัฒน์นี่จะเป็นเอา้ามันจะเริ่มเห็นความคิดความคิดกระดับได้เป็นบางอันนะเนี่ยแต่รู้กายเยอะอ่ะเนี่ยถ้าได้อารมณ์เนี่ยรู้กายรู้สึกอยู่กับกายนีย่มากๆ อารมณ์รูปนามเนี่เป็นฐานของวิปัสนาทั้งหมดรู้กายตื่นกายรู้กายนี่เป็นยังไงบางทีนี่เราเดินไปเดินมามันก็คิดอยู่กับกายนะแต่หนักเข้านักเขารู้สึกตัวมากเข้ามาเขาเนี่มันสามารถเกิดแจ้งในกายนี่เห็นกายเป็นเป็นสักตะว่านะมันจะเกิดความรู้นี่นขึ้นมาแล้วก็เกิดความไปวี้เห็นเหมือน เราเดินเหมือนท่อนไม้เนี่เดินไปแต่ตัวสติมันจะเริ่มเห็นเกิดความเข้าใจความเข้าใจจนทั้งปล่อยวางจอทั้งว่าปล่อยวางกายได้เลยอ่ะคาว่าปล่อยวางกายไม่ยึดมัน่นถือมันกับกายนี่เลยกับรูปกายเนี่ยมันแยกเป็นคนละอันเลยเนะี่ยมันถึงบานนั้นนะ่ะทีนี้พอรู้อยู่กายนิดน้อยเลยอย่าไปดูความคิดคนเนะี่ยแต่ถ้าหมอ เขาเห็นกายไม่เห็นกายแต่ว่าเขาเห็นด้วยตาแต่เขาไม่ได้เห็นด้วยสติสัมปชัญญะไม่เห็นด้วยปัญญาอันนี้มันจึงปล่อยวางกายไม่ได้อยู่คนอันกันนะเห็นกายและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายมีอะไรล่ะเห็นกายเป็นสัต่วแค่นี้เองมันไม่มีอะไรเพราะไม่มีอันนี้คือการแต่งเนื้อแต่งตัวการกินการหลับการนอนยังไงก็ได้มันจะเริ่มมานะสังเกตว่าคนปฏิบัติธรรมเห็นกายนี่จะเห็นชีวิตเขาว่าเริ่มยังไงก็ได้มาเข้ามาเข้า ยิ่งถ้าไปคุยด้วยเนะี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องข้างในเนี่ยลึกๆนี่ให้ฟังว่าปรากฏการณ์เกิดขึ้นกับจิตเขาวันนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลังจากนั้นเป็นอชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปอืนอนธรรมชาติก็ไม่เป็นใช้อะไรธรรมดาก็ไม่ได้กินนั้นก็ต้องเลือกนั้นเรื่องนี้ต่อมาไม่เป็น่ยนลสบายๆเอาแต่พออยู่ได้พอจะเป็นได้เฮ้ยทำํำไมเขาเป็นคนง่ายอย่างอะคนเนี่ยมันง่ายแลย้วเพราะมันพอรู้ตัวเองขึ้นมาเด้ เปลี่ยนแต่รูปนามเฉยคือจะมาถอนอนะนี่นี่พอรู้รูปนามก็ถอนได้ระดับหนึ่งนะพวกนี้ก็จะลดระดับหนึ่งยิ่งสิ่งที่จะลดไวนี่คืออันนี้นะพอรู้โอ้กูนี่สุขทุกข์กอยู่ที่กายนี่เองเนาะอยู่ที่ความคิดไปเนาะมันคิดเฉยๆเนะี่ยมันจะเริ่มตัวนี้นะจะออกก่อนนี่ตัวนี้จะออกช้านะเนี่ยตัวนี้ออกช้านะนี่ตัวนี้ก็จะออกไวขึ้นมาหน่อยนี่ แต่ตัวนี้นี่จะออกไปก่อนเนี่ยความเชื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจความงมงายไสยศาสตร์ทั้งหลายนี่มันจะร่วงออกไปจากจิตนะแล้วมันจะเป็นเรื่องราคาโทสะโมหนะนั่นนี่อมืมันไม่ใช่ว่าทํายกมือยกไม้แล้วมันแค่ให้สติมันอยู่นี่นี่หน่อยไม่ใช่มันต้องเกิดปัญญาปานนั้นนะ่ะ ถ้าปัญญาไม่เกิดปัญญาคนจะดับทุกได้โดยสิ้นเชิงไม่พูดศาสนาหันมันก็ไม่เป็นให้เอ้าทีนี้มาสติมันมากขึ้นเห็นความคิดเริ่มดับไปความคิดเริ่มดับไปนะเห็นรูปเม่อรูปมันเจ็บหั่นเดเจ็บนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่ขึ้นมาเป็นรูปโรกโอ้รูปเป็นโลกเนื้อรูปกูนี้เป็นโรกนะเนี่ยร่างกายนี้เป็นโรคอ่ะมันเป็นโรคเป็นรูปโรคทั้งหมดนี่เป็นรูปโอ้มันก็เป็นอย่างนี้เลยคือจิตมันเหมือนจะยอมรับเลย มีปัญญายอมรับให้ตายก็คือตายเกิดมาก็เท่านั้นคือมันเหมือนจะเริ่มไม่กลัวอะไรขึ้นมาจิตเนี่ยจะมีความรู้อันนั้นขึ้นมาประดับอยู่ในใจอันนี้เป็นรูปโรคถ้านามเดี๋ยวคิดเรื่องโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้รักชังก็โอเป็นนามโรคมันเป็นโรคอย่างหนึ่งเฮ้ยกูต้องรักษาแล้วรักษาก็ไม่มีอะไรรู้สึกตัวเยอะกว่าเดิมทําให้ต่อเนื่องเข้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกน็สังเกตมากขึ้นนไะแต่ตัวนี้นี่ศรัทธาเยอะๆศรัทธาเยอะแล้วขยันทํามันก็จะปรากฏและปัญญานี่ เรียกว่าเริ่มเริ่มมีมีมีกุญแจไขแล้วปั๊มลูกกุญแจเริ่มเป็นนะแต่ตัวนี้นี่ขยับขึ้นมานี่ศรัท ธ, ธาเยอะแต่สมาธิก็ต้องเยอะขึ้นมาอีกนะอันนี้สมาธิไม่เยอะเท่าไหร่นะมันจะปิ้งขึ้นมาได้นะแต่ขยับมานี่มันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะสติมันจะโน้มไปทางปัญญานูนะนะจะเริ่มหนักมาเนี่ยคือการเห็นเนี่ยเห็นอารมณ์นี่เห็นขันเนี่ย จะเริ่มเห็นแล้วเริ่มเป็นรูปรูปก็ไม่ติดรูปละวเห็นรูปเกิดดับแต่วิธนามธรรมยังไม่ค่อยได้อบางทีมีธนาขันนี่มันเกิดดับไม่ค่อยได้สัญญาขันเก่าเก่าเนี่ยมาขึ้นมาเออหลายหลายคนมาวันนี้ว่ายความคิดเก่าๆมาเยอะมากเมื่อวานดีอยู่เมื่อวานยังไม่ทํางานไงนะเวลาเราขุดลงไปมันก็เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะขุดอันนี้ออกไปเจออันนั้นขุดอันอนออกไปเจอเน้นนั้น ไม่ต้องทําอะไรเราไม่ทําอะไรพยายามจะเลิญสติให้มันแหลมคมให้มันมากๆบางคนเขาไปทําเป็นปีสองปีสามปีเพราะอะไรเพราะต้องการสติในการขุดกิเลสขุดสมมุตินี่ออกจากจิตจิตเนี่ยอยู่ตรงนี้นิวรณ์มันห่อหุ้มนี่ความคิดความปรุงแต่งห่อหุ้มนี่การงานห่อหุ้มนี่ดูดินี่จะทําลายทําลายออกไปทําลายออกไปเนี่ยทําไมมันจึงจะเข้าไปถึงข้างในได้ แก่นของชีวิตคือจิตที่มันไม่ปรุงแต่งที่มันว่างๆมันสุญยตาอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปจะไปหาอันนี้นนทำไมไมันจะเห็นอันนี้ของเรานี่เหมือนเป่าลงไปในน้ําปุ๊บหุบเข้าทันทีตัดความคิดเหมือนตัดน้ำเลยเข้าเหมือนเดิมเข้าเหมือนเดิมตัดคิดแลกมาอีกตัดคิดแลกมาอีกเพราะมันไม่มีพระขันศักดิ์สิทธิ์ไงดาบศักดิ์สิทธิ์เรายังไม่มี มันมันต้องทำให้เกิดวิปัสนาปัญญาอาวุธอันนี้ถึงจะได้เราจะเริ่มเห็นนะช่างมันเถอะเป็นโลกก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็หายไีเองหันใจก็จะสบายเห็นไหมเวลาคนได้อารมณ์นี้ไม่ค่อยกลัวโรคภัยไข้เจ็บนะตายเป็นตายพระกรรมฐา น, นหลายรูปนะไปหาหมอเหมือนกันนะแต่พอไปหาหมอทีไรใกล้ตายแล้วพระนะ พระนี่จะใกล้าตายแล้วนะที่ไปหาหมอเพราะอะไรไม่ค่อได้สนใจมันอะ่ะตายคือตายอืมไม่เหมือนญาติโยมที่มีเงินนะปีนี้ก็ตรวจสุขภาพปีนี้ก็ตรวจสุขภาพพระนี่ไปตรวจทุกขภาพไปครั้งเดียวไปแล้วก็ใกล้าตายแล้วจบแล้วธาตุขันชัยมันมาพอแล้วคืออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็คือตายก็มีเท่านั้นเองอะ่ะ มันไม่รู้จะอยู่เอาอะไรอะไรกับใครอะ่ะนั่นเองอยู่เอาอะไรมันไม่มีอะไรอะ่ะมันมีอะไรที่ต้องเอามันไม่มีมันมีอย่างหนึ่งถ้าอยากอยู่ก็คืออยากอยู่ทำมรรคผลนิพพานนี้ให้จบเท่านั้นเองสิ่งที่ต้องทำเนี่ยของเราอยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเนื่อนั้น เวลาเห็นอันนี้มันใจเฉยๆกับมันเน่ยเป็นรูปโลกน้ำโลกกรเพาะอะไรเพราะมันก็เริ่มเห็นเอาเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเริ่มอันนี้จังละอันนี้จังเฮ้ยแค่นั้นน่ะมันไม่ค่อยคิดอะไรพอเห็นปุ๊บมันดับตอนสมาธิใหม่ๆมันรู้รูปนามมันจะดับดีมากเอ้ามันว่างไปเลยอ่ะจิตมันว่างมันว่างจะเห็นจิตว่างว่างนี่ชัดเจนเนี่ยแต่มันมีความดีใจอ่ะปัญหามัน มันดีใจดีใจคือมันมีปิติอยู่ด้วยคือมันมันไม่ใช่รู้ว่างโดยบริสุทธิ์นะเนี่ยมันยังมีหลายจังหวะนะแต่ว่ามันก็ดีใจแล้วโอ้ยมันว่างเห็นจิตว่างเห็นจิตเดิมแท้ๆเป็นอย่างนี้โอ้ยจิตเป็นอย่างนี้เนาะหลังจากนั้นก็เริ่มเห็นความคิดเข้ามาเห็นความวง่วงความง่วความเบื่อความพรุงแต่งเห็นมันเข้ามาแต่ยังไงเนาะก็คือเห็นจิตพื้นที่ว่างของจิตมันเป็นยังไงเนี่ยรู้แล้วท่าที่เมื่อก่อนไม่รู้ไม่รู้เดินเอาอะไรเนะเนี่ย เดินไปเดินมาเนี่ยมันไม่ใช่ถึงโคราชเด้อลืนี่ยนั่นแหละมันอยู่แบบนั้นมันไม่รู้เรื่องนะมันจะวิโกวิจารเนะี่ยแต่พออันนี้ปุ๊บไม่สนน่ะคนมันบอกว่าหยุดเดอ๋ยหยุดเดีไม่ได้แล้วพี่ไม่สนใจใครอะ่ะเพราะเขามีเป้าหมายเขาเริ่มเห็นเขาเห็นอันนี้แล้วเนี่ยเขาจะไปเองอะ่ะเห็นไหมแต่ถ้ามันไม่เห็นก็ อ, อย่างว่าแล้วไปตามเรื่องแหละเห็นลหลายหลาคนว่าปฏิบัติทำกลับไป วายเกือบตายเอาชีวิตหลอดออกมาเลยก็ บ, บุญหัวแล้วมันไม่ได้อะไรคือไม่ได้อะไรนะแต่บางคนออกไปไม่เหมือนโอ้ยจะดายเวลาหน่อยสั่นบรรลุได้กูนี่เกือบแล้วเป็นบุญเป็นจังบุญที่ได้ไปวัดโสมนัอืิได้ปฏิบัติเต็มทีโอ้ยขันเห็บปานนี้จะด่วนแล้วกูบว่าถ่ายหอดปันนี้ด้วกูบรรลุแล้ ว, ลวปันนี้นะ กูส <oz> ิมื้อสิไปอีกเนี itself, shipment, ่ยคนที่เขาได้เขาก็มีความคิดแบบคนไม่ได้มันก็เป็นแบบนึงได้แต่ว่าเขารู้อะไรเนี่เหมือนเรานี่แหละหวานไปเลยเนี่ยพืชเนี่ยมันอะไรงอกก็งอกไม่งอกก็ไม่งอกนะฟังทำนี่ฟังเหมือนกันไหมเหมือนกันตัวเดียวกันแต่เอาไปปฏิบัติไม่เหมือนกันปฏิบัติได้ไม่เหมือนกันถ้ามันได้เป็นเส้นทางเดียวกันนะเนี่ยไปทางเดียวกันนะเม็ดเ่าเม็ดนุ่มเม็ดรีบเม็ดตรงมีวัตถุนี่ แล้วแต่เม็ดหญิงเม็ดชายเม็ดพระเม็ดเนนสมมุติสมมุติแต่จริงๆคือเม็ดทุกเม็ดก็คือมีรู้สึกกับมีว่างอยู่ในตัวกับมีคิดนั่นแหละเราจะทํำยังไงเ่ยเขาเรียกมาปลูกฝังพุทธธรรมพุทธธรรมาเพาะเขาเรียกพุทธเกษตรพุทธเกษตรมาทําเกษตรแบบพุทธเนี่ยถ้ามันงอกขึ้นมันจะมีใบเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็น จิตผ่องใสเหรอเห็นไม่มาทีแรกวันสองวันในหน้าจืดนาตายไ ป, ไปบางคนเกิดอโอ้ยไม่ได้คู่มือนี่เหลียวเบื้งอี่ใดก็โอ้ยแก้มแดงอองต้องเกิดมาอืมนาตาสดใสเบืง้งบักไดก็คือพ่อเบื้ังนะอืมเห็นหนาเห็นตาไม่จากเห็นหอดพระมาเนาะแต่คู่มือนี่ก็ยิ้มพระกรไดแยง่งนี่ถามนายหลวงพอ่อถามหน่อยหลวงพอ่อหลวงพี่ถามหน่อยคือว่า คำถามก็เริ่มเป็นสัจจะข้ามาถามเรื่องเกี่ยวกับอบารมณ์กรรมฐานขึ้นมาบ้างอืไปเจอกันที่เรื่องมาไปใหม่ถามหลวงพ่อบวชได้จ็กปีละอ ม, มันไม่เข้าประเด็นนะอันนี้เอาคนละเรื่องกันปัญหาอะไรถึงมาบวชไะไรบ้ืงบางคนไปถามเดินจู่ ก, กเมื่อยแล้วถามหลวงพอ่อยูได้เดียวดายหลวงตาคือดาเทอพอ่อหนีแล้วขันพนมนผมประยูน คำถามเขาดูดิคนละเรื่องนะมันจะมายุแยงตะแคงรั่วนะเนี่ยสังคมเราก็สงบสุขดีอยู่นะมันไม่รู้เรื่องไงแต่ถ้าตั้งใจปฏิบัตินะทำความเพียรดีๆมันเข้าประเด็นนี้เห็นดันดีเลยไ อ, อย้ไม่มีอะไรอะเจ็บตาเจ็บตากับคนน้องเดินไปทำไมาด็กก็หายเมื่อยอออยากเบิ่งขึ้นกันา่าเมื่อยมันจะไปดับตอนใหนน้อเพราะว่าทีแรกเราไม่รู้เรื่องเรายังรู้เรื่องอันนี้ เรื่องจิตว่างอะเ น, นี่ยทีนี้เฮ้ยตามันเจ็บดูที่มันจะเจ็บถึงตอนไหนดูมันมันเหมือนกรองอ่ะมันดีนะไปหาหมอก็ เ, เอาความจริงไปหาหมอนะแต่ก่อนเจ็บโน่นเจ็บนี่ น, นี่หน่อยไปหาหมอแล้วไม่เป็ี่นนะทีนี้เรากรองปฏิบัติทํามนมันกรองป่วยกรองไข้เราเองนะไม่ต้องให้เขาคัดกรองนะเราคัดกรองเราเองว่าเราเอาความจริงไปหาเขาไหมแต่คนทั่วๆไปไม่ได้คัดกรองตัวเองเพราะไม่ได้ดูข้างในไง เป็นละนี้เนาะก็เป็นพระก็มีนะไปหาหมอนะผีเข้าก็มีพระอืมผีเข่าพระพราะนะอืมเจ็บบอล น, นัน่นเจ็บบอล น, นี่นะเห็นไหมยพยาบาลในทุกคนเขาบอกว่าหลวงพ่อเป็นอะไรมาโอ้ยเจ็บหลายบอล น, นี้บอล น, นั่นเนี้หลวงพ่อกํำนดรู้ดิแม้จะเป็นไไหลายแม่น่ะโยมเขาบอกอย่าเข้าไปในเวทนาหลวงพ่อกําหนดรู้บ้างดี <c oughs> เอา้าตายอืม <c oughs> อันปฏิบัติธรรมมาแต่สำนักไดนละ่ะคือโบว์โบวเบืบบ้งพระเบื้งเล่นเนยมันวัดโสมรรณเขบอกทันทีนะนะเขาพูดทันทีอ่ะแต่ก่อนไม่เป็นนะีก็กลัวพระอนั้นพระนี่เนะี่ยแต่บางทีก็มีนะพระเป็นเกจิอาจารย์นะั่นก็บอกไปบอกขออะนะ๋อมาเนี่ยขออ๋อเป็นลูกศิษย์เพิร์เนาะเพื่นบอกไปบอกลูกศิษย์นะี่อีน่างหนึ่งมันอยากสอนพระได้ะนะ่นะก็สอนดิเพราะไม่รู้ใช่ไหม ไม่รู้ก็สอนก็บอกกล่าวนั่นแหละบอกแนะนําไปอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยช่วยกันนะพี่รู้สองน้องรุ่นถ้าไม่สอนกันบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีวาสุปวสิกาก็แย่สิบริษัทมันก็พังเดชช่วยกันเดชอย่าให้บริษัทพระต้มอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วพวกเธอก็ต้องมีความรู้ในการบริหารบริษัทด้วยถึงจะได้มันถึงจะเจริญเนี่ยเอา เขาบอกว่ารู้ไตรลักษณ์มันมีลักษณะทุกอย่างโอ้เห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามได้แล้วก็เริ่มเห็นมันเป็นโลกรูปรโลกนามโลกรูปธรรมนามธรรมมันเป็นไปธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันทั้งรูปทั้งนามนี้มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์คือเออทุกขังทุกขังคือมันทนได้ยากมันไม่ตั้งอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็เป็นอันนี้จัง ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเสมอพอเปลี่ยนแปลงไปสักพักสุดท้ายก็คือเป็นเอออนัตตาทุกอย่างเป็นอย่างนันนะโกรธนวลาเรโกรธมาเอ้ยความโกรธเกิดขึ้นกับคุณเป็นอะไรเป็นรูปโรคหรือนามโรคนามโรคแต่ถ้าเรามีสติดูมันเฉยๆเดี๋ยวมันก็เป็นพอโกรธนี่เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นทุกขังเป็นทุกขังเป็นนามโรคอีกสมัยมันก็เป็นอนิจจัง อีกสหน่อยก็เป็นแต่มันค่อยๆเป็นนะแต่ถ้าเรามีสติเข้มแข็งยิ่งพอกระทบปุ๊บอนัตตาทันทีเลยนะดับไปกระทบขคือบ่มีอย่างวะเขาด่ากูเกิดซือซ้อๆนะเขาย่องกูเกิดซือ้อๆเจ็บป่วยปะโทษไปรักษาได้ไม่กีกากเต็มคานะอนัตตาอ๋ <S <S 1> <S 1> อว่างเฮงง่วงมาก มีสติเห็นง่วงไหมง่วงเป็นสัญชาติญาณวัฏิเกิดนะมันจะดับง่วงถ้าสติดีๆอ้าง่วงก็เป็นอนัตตาเห็นทันทีอ่ะมันมาปุ๊บยุยยุบติตาดูดับไปเอามันดับไปดับไปดับไปอยู่ที่ไม่มีอะไรจะดับแล้วเดี๋ยวนี้มันว่างโอ้มันเป็นอย่างนี้ของมันเนาะทุกอย่างมันเกิดมันดับอยู่แล้วนะเนี่ยตัวไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วนี่ไตรลักษณ์มันไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติของมันที่มันเกิดมันดับมันอยู่ที่ใจหาความเกิดความดับอยู่ที่จิตเพราะจิตเป็นตัวสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้ามันยาวมันจะเป็นเป็นอันนี้ทันทีเป็นอุปาทานเนี่ยยึดติดมันติดอยู่ในนั่นจิตมันเข้าไปติดพอเรารู้ปุ๊บมันกระดับรู้ปุ๊บกระดับก็กลายเป็นอะไรนะเป็นอืมเป็นนวกาศเป็นนี่สุญญตานี่เป็นสุญญตาเป็นความว่าง ว่างบ่อยๆว่างเยอะๆว่างต่อเนื่องเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เป็นนิพพานน่ะให้เห็นบ่อยๆว่างบ่อยๆความโกรธอย่าไปโกรธตามมันความโลภอย่าไปโลภตามมันความหลงอย่าหลงตามมันความรู้อันนี้ดีกว่าความรู้ทั้งหมดในโลกที่มนุษย์มีเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นอะไ น, นี้ ทีนี้รู้ไหวยเข้ารู้ไวยเข้ารู้ไวย่เข้า น, านา้ํารูปนำโรกรูน้ํารูปนาโรคก็เดี๋ยวเป็นอ น, นิจจังเดี๋ยวเป็นอนัตตาเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิชัดขึ้นค่ะชื่นอยู่ๆวันหนึ่งนะถ้าสมาธิพอเนี่ยมันจะรู้แจ้งเรื่องสมมุติอันนี้มองไปมองมาเคยหลวงตางเคยเล่าให้ฟังนะนะพระองค์หนึ่งที่หลวงพ่อท่านมาถามมีเลื่อถามว่าอันนี้อะไรแขนอันนี้อะไรอีบอล แล้วอันนี้แหละในฝานี่รูปพระเจ้าแผ่นดินถามอะไรก็เท่ากันอ่ะถ้าก็กลับไปถ้าถามก็กลับไปเราไม่รู้ไงวันวันหนึ่งพอรู้รูปน้ำรูเเ้เดินไปเดินมาเดินไปมันจะมีดอกประภาวะหนึ่งมันมันจะสะดุดอะไรสักอย่างจิตเนี่ยมันจะเกิดปัญญารู้ใจโอ้สมมติอันนั้นก็สมมติอันนี้ก็สมมติสม มีพระอุหนงมาอยู่กับหลวงตามาจากชนบุรีนะปฏิบัติธรรมหมดพรรษารู้แต่สมมุติห้ามาันก็มาหลายแท้สมมุติเนี่ยนะคุณพงษ์นะคือไม่ตั้งใจไม่เชื่อปฏิบัติธรรมแต่เหลือเดือนหนึ่งจะออกพรรษาก็ตั้งใจแล้วก็เกิดรู้รูปนามรู้สมมุติขึ้นมาขยันทําแต่ก่อนไม่มีอะไรมีแต่วิ่งไล่จับแย้ในวัดนี่แต่ก่อนนะหลวงตาไม่อยู่แเราทำแบบนั้นนะ่ะ แต่พอให้ปฏิบัติธรรมจริงๆพอเป็นแล้วตั้งใจทําใครทรํามันเลยเดินไปทาไายก็สมมุดกูนี่ก็สมมุติพูดตลอดเลยไม่รู้ว่ายัางไงเนาะเวลาคนทํานั้นีนน่ก็เห็นยายมีมานยมานนี่ก็สมุดบรรดายายมานมาพัดเกยจะพูดนะยยมานขาเจ้านี่ก็สมมุติ น, นนะดนะนนมมนอือ คอนี่กะพระพงศงนี่ก็สมมุตินี่ยนวงตาให้ไปหาว่าอะไรไม่สมมุติอะอะไรบ้างที่ไม่ใช่สมมุติคือแกมองว่าตัตถุมีแต่สมมุติไปหมดเนาะพอจับไปจะมาจะนั่งเก้าอี้นี่ก็สมมุติคือมันจิตมันมีแต่สมมุติไปหมดถ้าเป็นสมมุตินี่มันจะถอนได้อะจะไหม ม, มันจะถอนอุปาทานนี่ได้ระดับหนึ่งคือมันจะเริ่มฉีกออกที่ละเปลือกละเปลือกละเปลือกนะ ถ้าคุณไม่รู้นี่มันไม่ออกนะแต่คุณจะมาคิดเอาว่าเอ้ยทุกอย่างมันเป็นสมมุติเนาะอันนี้ความคิดนะอะไรไม่หล่นออกนะเนี่ยอย่างผู้ได้ฟังว่าเฮ้ยทุกอย่างเป็นสมมุติหรอกธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยเราสมมุติกันธาตุสี่นี่เป็นบัญญัติน่ะอันนี้บัญญัติเป็นแขนเป็นขาเป็นตีนเป็นมือเป็นตัวโกของโกสมมติให้เรียกกันถูกเฉยเฉยเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสมมุตินะอะไรประมาณเนี่ย แต่ว่ามันก็ไม่มีผลเพราะมันไม่ใช่เกิดจากการรู้แจ้งความเข้าใจเรื่องสมมุติน่ะนะใช่ไหมมันไม่ได้เกิดจากวิปัสนาญาณเขาถึงเน้นตัวรู้เน้นปัญญาเนี่ยทำไมปัญญานี้จะเกิดถ้าปัญญาเกิดนีมันจะแจ้งเรื่องนั้นขึ้นมาอนาันดีอ่ารู้แจ้งเรื่องสมมุติเนี่ยมันเป็นยังไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยเป็นอารมณ์รูปนามนะเนี่ยอันทังนี้เนี่เป็นรูปนามคือมันรู้กายเนี่ย สติไม่แข็งมากเท่าไหร่อันนี้เนี่ยอันนี้จะเห็นรู้จกักผีรู้จักเทวดาเ น, นี่ยเห็นผีเห็นเนทวดารู้จกักผีผีเป็นังไงเทวดาเป็นงไงนี่มันจะถ่ายถอดเรื่องสมมติบัญญัติมันมองไปไหนนะะมันจะรู้อันนั้นหมดอ่ะอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้ผีก็รู้จกักทำไมถึงเรีย ก, กว่าผี เป็นเทวดามีพระอุหนึงปฏิบัติทาแกรู้จักสมมุติขึ้นมาเมื่อกันแหละนกรู้จักสมมุติแจ้งเรื่องสมมุติวันหนึ่งเขาศบมาเผาที่วัดแกบอกว่าพอรู้จักสมมุติแล้วมันไม่เคยกลัวเลยอ่ะมันไม่กลัวผีอ่ะแต่แกแรงมากอารมณ์กรรมาฐานนะั่แรงมากเขามาเขาศบเห่เขาม า, า, อายอมนะ แห่สมมุติมาติพนะอืเขาว่าแห่ศพเหรอไปไปฝังเอ้าฝังเฮ็ดยังล่ะเอา้าฟังเลยหลวงพอ่อนะสันมันก็เป็นผีแลยเนาะตายเลยเป็นผีเลยบ่ต้องฝังบ่ต้องเผาฝังไว้ใต้บันไดกุติอัตมาเนี่ไม่ให้เผาเลยนะสั่งให้ฝังตรงบันไดท่านเลย หลวงพอมันสิคือตีบอคือแนวไหหลวงพอมันสิบมีปัญหาตีอัตมาบอย่านภาษาสมมุตดซื่ออเป็นดินนะใต้บันไดให้ฝังตรงบันไดเลยแต่ก่อนท่านค น, คนกลัวผีนะสักยันต์สักอะไรเต็มเต็มตัวแต่คนสักยันต์คือคนกลัวกลัวผีกลัวนั่นกลัวนี่ เรามีเครื่องลางของขังทั้งหมดแต่พอนั้นทิ้งมอ้อแล้วก็บอกเลยบอกให้ฝังตรงนั้นอาตมาสิยางขึ้นย่างลงก็มือให้มันมันหลอกอาตมานี้มโมบุธรรมดาเด้เราตาบอกโอ้โหโผลไปแล้ว้นีให้เขาไปฝังพุทโล ด, ดนะอะไนั่งอาตมาอยากมูจักขึ้นกับเราผีมีนี่ให้มันมันหลอกอาตมานี้ท่านเรียกตัวท่านเองบักเืมอืม คือท่าเรียกตัวท่นมันมหลอกบักนี้มอมีญาติให้มันมาโลดอยากให้มันไปช้วนผีน้ากันมาหาอัตมาเนียโทษหนักเข้าไปนะอัตมาตโอ้ยเสีย เ, เวลาแล้วเนาะเฮตเตนัยนอพระนี่เนนะสีเศร้าเป็นวิปัสนูเนาะเป็นวิปัสนูคือพอมันเป็นวิปัสนาในทิฏฐิมานะมันจะขึ้นนะมันต้องทําให้มันหดตัวลงไนดะ้ให้มันอ่อนลงอนะ มันจะมีอารมณ์มาเนี่ยปัญหามันคือมันอยากเทศอยากบอกอยากสอนอยากแสดงนี่แหละอาการเนี่ยปัญหามาเนี่ยที่เขาเรียกว่าถ้ำมะมันแตกนะนะเหมือนแจ็คตมันแตกนะเพราะมันแตกแล้วมันจะเกิดอารมณ์แบบเนี้มันต้องคุมถ้าครูบาอาจารย์มาไข่เนี่ยคันบอมีอาจารย์บนเทศอย่างไงดอกว่าต่อไปพระพุทธเจ้าก็คือเฮ้าหนีแล้ววะนะ คือเฮ้าเฮ้าก็คือพระพุทธเจ้าเจ้าก็เป็นได้พระพุทธเจ้าดัอขอใจถ้ำจริงคือกูนี่มันจะยากได้เนี่ยนั้นตัวอันนี้มันจะเริ่มมีอก่อนที่มันจะล่วงขึ้นนคือมันจะเห็นว่าสมถะคือมันสงบแบบไหนมันนิ่งแบบไหนวิปัสนาเวลามันรู้แจ้งมันต่างกันยังไงกับสมถะเนี่ยเขาจะแยกและแยกเป็นแล้วสมถะกับวิปัสนามันต่างกันยังไงมันต้องเกิดอารมณ์กรรมฐานนะ บางคนแยกได้ตั้งแต่รูปนามเนี่ยมั่นใจเลยว่าไอ้ตัวรู้ตัวนี่ไปทางนี้เนะี่ยวิปัสนาไปทางเนี้ยนะเพราะว่าพอรู้รูปนามบางคนรู้รูปนามมันแรองอ่ะรู้สมมุติทันทีบางคนรู้สมมุติก่อนบางคนเริ่มเห็นความคิดเกิดดับก่อนแล้วก็รู้รูปนามแต่ว่าอยู่ในวงนี้ <c oughs> บางทีเขาอ่านได้ก่อนหลักพยัญชนะอักขระอะไรต่างเนี่ยบางคนก็เริ่มฝึกหัดกิริยามรารยาทเป็นก่อนก็เหมือนนักเรียนเน่ะนัแบบนั้น แต่ว่าจะอยู่ในในจํานวนนี้ก่อนที่จะมารู้อันนี้จริงๆเนี่ยเห็นขันห้าเนี่ยเห็นขันห้าจะเริ่มเริ่มเห็นขันห้าเอ็นอาการของขันห้าแล้วก็จะเริ่มสังเกตอุปทานในขันอืแต่ว่าเวลาจิตมันจะเปลี่ยนแต่ที่มันจะเกิดวิปัสนานเกิดการปิ้งเหมือนมันพลิกไปพลิกไปพลิกไปนะไอ้นี่ยเวลามันจะเปลี่ยนมาเป็นปรมัตินี่ก็เหมือนกันน่ะ เป็นปรมัดก็คือเห็นที่ไหนดับที่นั่นปรากฏกระทบที่ไหนดับที่นั่นกระทบที่ไหนดับนั่นเออมันเหมือนมันไม่มีอะไรเนาะทุกอย่างนี่คือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเดินไปเดินมากินข้าวกินปลาเกิดแล้วก็ดับอะไรประมาณนี้มันจะเริ่มนิ่งขึ้นคือคนนี้จะเริ่มเป็นคนละเอียดละเอียดอะไรละเอียดเพื่อศึกษาตัวเองที่เขานิ่งๆนะ่ยคือเขาดูข้างในอย่างเขากําลังนิ่งกําลังจะสังเกตวันนะ่ะปรากฏ ก, การณ์มันจะละเอียดลงรู้จักปรมัดรู้จากขันห้าแล้วก็ต่อไปก็จะเห็นเห็น การเกิดดับไม่เรียกว่าการเกิดดับนะเขาเรียกว่าเห็นดับการเกิดเนี่ยจะเกิดปัญญานีปัญญาดับการเกิดที่มันเกิดทุกเดี๋ยวมันแวบขึ้นมาแวบขึ้นมาแวบขึ้นมาอย่เลื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเกิดอดีตเดี๋ยวมันเกิดอนาคตแต่พวกนี้มันจะเริ่มเบาบางนะรู้จักขันธ์หารู้จักแล้วมันจะเบาบางไม่ค่อยมีอะไรละมันจะดีขึ้นดีขึ้นมันเหมือนจิตว่างๆแต่ว่ามันยังเกิดอยู่แต่ถ้าเกิดอันนี้ปุ๊บจะเห็นการเกิดดับ ดับการเกิดที่เรียกว่าจุตูปัาตยานน่ยพวกนี้นี่จะเป็นปุเพนิวาสานุสติยานคือมันจะปุเพก็การก่อนนิวาสคือความคิดที่เราไปทำอะไรในอดีตมาเนี่ยมันจะเริ่มสำลอกออกสำรอกออกสำรอกออกไปทำอนุนมาอันนี้มามันจะเริ่มผุดออกมาแล้วก็ดับไปดับไปดับไป ต้องเกิดวิปัสสนาก่อนนะถ้าไม่เกิดไม่เกิดการรู้รูปรู้น้ำมาก่อนเวลาความคิดเกิดมันก็ไหลเข้าไปในความคิดนะแต่ถ้ารู้อันนี้มันมาแล้วมันดับเองเอา้าอย่างนี้ก็มีได้เหรอเนี่ยมันจะดับไปดับไปแล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์เพราะอดีตอันเนี้ยอดีตมันจะถูกดับไปอ่ปะเขาเรียกว่าการสัมลาอะอดีตแต่ถ้าไม่มีวิปัสสนาเข้าไปอันนั้นก็ไม่สํารอกออกมานะคนละอันกันนะถ้าเราไปคิดเอานี่เราเศร้าหมองทันทีนะจิตนะ มันต้องให้มันเป็นเองพวกนี้ถ้ามันไม่เป็นเองมันไม่เป็นเนี่ยนั้นคนแก่ๆเท่าๆก็คิดกับอดีตตื่นมากับเคสอดีตคิดหอดลูกหอดล้านนอดพุทธนันปนนุณิย์โอ้ยตายาาพอเพราะไม่ฝึกวิปัสสนาไว้แก่เท่ามาเธอก็ไม่มีประโยชน์อะ้วมีแต่ความคิดคิดหอดแต่ลูกคิดสั่งพุทธันคิดทักพุทนี้หึงหวงสิ่งของเสื้อผ้านาแพ้กระโต๊ะกระทางกระถางกระทะควงกูเด้อยจะไปสู้ด้สู้นนด้อันนอันนี้ อันนั้นกัของกูอันนี้ก็บของกูฮึกหักหวงหวงอไปหมอต้มยากับเก็บไฟของกูอันนี้ อ, อยู่พ่อปนั้นละ่ะเข็งสําหรับจุไฟเก็บอยู่พ่อปนั่นมากจกของกูด้วยผ้าอันนี้ก็บของกูเด้วอันนี้อยู่พ่อปนั้นสบงเก้ากับของกูด้ยอนนี้ก็ได้มันที่เป็นมันเป็นชนสะสมไหมในหลายคนเห็นไหมบางทียังไม่ได้เป็นอารมณ์นั่นเลย เริ่มสะสมตั้งแต่เป็นอันนี้แล้วเริ่มสะสมของเก่าคือจิตมาเริ่มละแต่คนไม่รู้สึกตัวว่าตัวนี้กําลังถูกกิเลสใช้นักไปเรื่อยๆสะสมพระเก่าของเก่าโน่นนี่นเขาเยอะแยะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะนะแต่ที่วัดนี่สะสมแต่พรนะเก่านี่นยพระเก่านี่เอาอยู่พระเก่าเป็นคนนะแต่ไม่ใช่พระตุลุภ์เก่านะอันพอมันเห็นอันนี้ปุ๊บต่อไปถ้าเห็นการดับการเกิดแล้วก็ต่อไปก็อาสะวะ ดับอาสะวะนะแล้วก็จะจบแล้วเนี่ยคือคืออุปทานทั้งหมดจะถูกล้างล้างไผ่ทั้งหมดนะดับอาสะวะอาสะวะก็คื อ, อเหมือนเราบิดผ้าเคยเห็นบิดผ้าไหมผ้าไปซักผ้าขบวนการซักผ้าเป็นแบบหนึง่งแช่ผ้าเป็นแบบหนึง่งพอแช่แล้วพอซักพอซักแล้วบิดน้ําออกหมดหรือยังบิดเต็มที่เลยนะออกหมดหรือยัง ขั้นตอนต่อไปทไําไงก็เอาไปตากเอาไปตากไปพึงแดดขั้นพึงแดดให้ละอองมันจบจนมันแห้งยิงนี่ยแหละคืออาสวะนี่คือตัวตัวนี้นี่ดับการเกิดคือมันหมดแล้วเนะี่ยทำไมก็มหมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอ่ะต้องไปทำวันนี้ต้องเอาไปตากมันจะเกิดวิปัสสนาญาณตัวนี้ที่มันจะทําให้มันแห้งทีนี้หมดเนะี่ยอันนี้ถึงจะออกหมดนั้นเป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่มีขี่ณาส สภาวะเขมีนะคือดับกิเลสได้หมดความโลภโกรธควอมรัความชังได้หมดอยู่แต่ว่ามันยังมีอันนี้อยู่ก็มีนะต้องไปทําอันนี้นะบางทีบางคนทําเป็นก่อนตายอแต่บางคนแกศไปเขาก็อยู่ได้แต่ไปใกล้ๆเกศเก็กกกเหมดไปอบางทีแต่ขณะที่ยังไม่เป็นก็ทํำเรื่อย ๆ, ๆ, ๆมันจะมีหรอกวันหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันก็เป็นไปเองนะไม่คิดไม่ใช่นะคือสะสมตัวรู้ไปเรื่อยๆสัก ระยะหนึ่งพอมันวันดีคือดีไม่ได้เกิดยานอย่างรัวมันหมดแล้วมันหมดกิเลสมันก็รู้จักเอ้ยมาถึงตอนนี้มันก็รู้จักถึงตอนนี้ก็รู้จักถึงตอนไหนมันก็รู้จักมันรู้ของมันเองอยู่ข้างในนี่หมดทานแล้วเนี่ยเตรียมตัววันใหม่ค่อยคุยใหม่นะตั้งใจดีๆใครยังไม่ตั้งใจทำก็รีบตั้งใจซะโดยตายว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ของเด็กนะไม่ใช่ของผู้ใหญ่นะ ของคนมีปัญญาหันไปทางพระนะ